Allahu um ma salli ala Muhammad as-salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับผมก็ขอจุกต่อรองครับที่ให้พวกเราได้มีโอกาสได้มานั่งเรียนกันตรงนี้แล้วก็ให้ผมได้มีโอกาสได้มาทำการฝึกสอนนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็ตามที่ตกลงกันไว้เราจะเรียงเรียงลำดับการเรียนรู้การอ่าน ตามลำดับของหัวเล็กนะครับผมวันนี้ก็ขึ้นโซล้ออันนัสนะครับผมต่อจากซู้อารอันฟาติฮะโซล้ออัอันนัสช่วยๆชช่วยกันหานะครับผมต่อต่อจากอันฟาร์ตีฮะนะครับผมหน้าขวามือนะครับนะเจอไหมครับนักเรียนที่นี่ส่วนใหญ่อ่านกันได้เนาะน่าจะอ่านกันได้อิชาร์ลส่วนใหญ่นะครับผมเริ่มนะครับด้วยการขอความคุ้มองจากอิชาร์ก่อนนะครับ ฉันขอความคุ้มครองจากอร้อย้นจากความชั่วร้ายของมันร้ายชัยตอนนะครับผมบิสมิลลาฮิราะห์มานิราะฮิมหาเจอไหมครับหาหน้าเจอไหมหน้าขวามือด้านล่างหน้าขวามือด้านล่างอ่ช่วยหายเพื่อนนิดนึงครับช่วยหายเพื่อนนิดนึง บิสมิลลาฮิราะห์มิราะหิมด้วยพระนามของเลอปผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอกุญอาอุบิรบบินนาสจงกล่าวเถิดนำมูฮัมหมัดข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระเจ้าแห่งมนุษยชาติมาลิกินนัส พระราชาแห่งมนุษยชาติอิลาฮิ น, นาสพระเป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าแห่งมนุษยชาตินิชรลินวัสวาสินคอนนาสให้พ้นจากความชั่วร้ายของผู้กระซิบกระราบที่คอยมาหลอกลอก่อ อัลลดิยูวาสวิสุฟิสูดูรินัสที่กระิปกระซาบในหัวอกของมนุษย์นะครับมินั่นยินนั่นวันัสจากมูยินและมนุษย์นะครับผมอ่าน เขานี้อ่านจริงนะครับผมบิสมิลลาฮิร rahma nih rahim قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مالِكِ النَّاسِ อิลลัฮินัสมิฉารินวะสวาสินคอนัสอัลลัติยุอัสวิสุฟิสุดูรินัส มินันจินนาทิวานัสครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมช่วงต่อไปก็เป็นอาจารย์มุตตาฟามาให้การให้ความรู้กับพวกเรานะครับผมสลามวะอะเลกุละมลฮ์มาตุลลอฮ์อัลบารักาตุบบ right> ิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮิย الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد اللهم بика أصبحنا وبика أمسينا وبика نحيا وبика نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله تعالى من شر ما خلق ب ิ سم الله الذي لا يضر ما اسمه شايهون في الأرض ولا في السماء وهو سميع العليم رضيء بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر รับบีอ้างอุทิบค์มิ่งอาดับม์ฟินนารีว่าดับมฟินลับรีสุลามุลัยคุมาระห์มัตุลลอฮ์วบรากาตุท่านประธานมูลนิธิท่านอิหม่ามอับดุลรอเนหรืออาจารย์อับดุลรอเนสมาชิกที่รับอิสลามอัลลอฮ ท่านพี่น้องมุสลิมินและมุสลิมาที่รักทั้งหลายครับ a l h a m d ล l i l l a h พี่น้องต้องขอบคุณอัลลอฮ์ผมก็ขอบคุณอัลลอฮ์การขอบคุณอัลลอฮ์เนี่ยให้ว่าอย่างงี้เป็นคําภาษาฮะดับซึ่งท่านนาบีเองก็พูดคํานี้แหละ เป็นคำที่ดีที่สุดก็คืออัลฮัมดุลิละแปลว่าการบรรดาการสรรเสริญทั้งหลายเป็นของอัลลอ์ถ้าคนที่เขารู้ภาษาอับมากหน่อยก็อาจจะพูดว่าอ ah um ัลลอฮุมมาและการฮัมดูวาลกาชุกโออัลลอฮ์การสรรเสริญทั้งหลายในเป็นของอัลลอ์และการขอบคุณทั้งหมดเป็นของอัลลอ์ hmm. พี่น้อง ตอนเช้าๆเนี่ยพี่น้องท่านนาบีสอนนะครับนบีสอนลูกสอนลูกสาวของท่านเองท่านนาบีจะไปเยี่ยมลูกหลังจากนามาสุบอหลังจากนามาสูบอเนี่พวกเราไม่ค่อยไปเยี่ยมลูก แต่นบีเนี่ยไปเยี่ยมลูกที่ผมเอาเรื่องนี้มาอธิบายต้องการจะพูดว่าของที่นบีทํำทั้งหมดนั้นเป็นความดีถึงเราจะอยู่ห่างกับท่านนบีถึง 1,400 กว่าปีเนี่ยเราก็ยังนําเอาสิ่งที่ท่านนบีปฏิบัติในวันนั้นเนี่ยมาใช้ในวันนี้เนี่ยอัลลอฮ์ก็ยังรักอยู่นะอัลลอฮ์ยังพอใจอยู่เพราะสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดทำนั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งให้ทํา ไม่ใช่น บ, บีคิดเองแล้วก็ทําเองไม่ใช่น บ, บีไปเยี่ยมลูกสาวพี่น้องหลังจาก น, นมาซุบอเเสร็จแล้วพอเข้าไปในบ้านพี่น้องพอเห็นลูกสาวเนี่ยกำลังนอนอยู่น บ, บีก็ปลุกในการปลุกเนี่ยการปลุกลูกนี่เป็นเป็นความดีครับไม่ปล่อยให้ลูกนอนเฉยเฉยปลุกปลุกก็น บ, บีก็สอนบอกว่าลูกเอ้ย หลังจากน้นมาซุบเปเสร็จแล้วเนี่ยอย่านอนนะหลังจากน้นมาซุบซุปเสร็จเนี่ยอย่านอนจนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นนี่นบีพูดมาหนึ่งพันสี่รอปีที่นบีพูดนั้นอัลลอฮ์สั่งให้พูดแบบนี้ไม่ใช่นบีคิดเองพี่น้องเพราะความรู้ที่ผ่านนาบีนั้นเป็นความรู้ของอัลลอฮ์ทั้งหมดลูกเอ๋ยอย่านอนจนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้น แล้วไม่นอนแล้วทำอะไรถ้าไม่นอนหลังจากน้ำมาสูบก็ต้อง น, นั่งอ่านอัลกุรอานอย่างน้อยสู น, นี่สุระตบารกัลลดีบียดีฮิลมุลกุวะวะละกุ ล, ลิชยอิงกดีหนังสือที่อยู่ในมือท่านพี่น้องนี่แหละพี่น้องประมาณส0มสิบอายะท่องให้จำพี่น้องเราก็อ่านทุกวันอ่านทุกคืน ยิ่งกอ น, นอนยิงอ่านยิ่งดีใหญ่เคยอ่านกันยังอ่านแล้วทำอยู่หรือแล้ ว, ลวย่ายุดเพราะแผ่นดินมันไหวเรื่อยตัวนี้กําลังอ่านอ่านอยู่แผ่นดินไหวตายขนาดที่อ่านคุณอ่านดีไหมกับตายขนาดที่ดูละครดีไหมดีได้ไม่ดีแน่นะว่าไม่ดี กำลังดูละครเพลินแผ่นดินไหวปุบุบปุบปบร่วงลงมาตายหมดเลยพป็น้องกับแผ่นดินไหวกำลังนั่งอ่านกุร์านอยู่ตบาโรกัลลซีบียาดิฮิลมุลกุวาอุวาลาคุลิชัยอิงก็ดีแผ่นดินไหวปุบตุบตุ ต, ตุตายตายขณะที่คกาลังอ่านอัลกุร์านเขาเรียกว่าตายดี พี่น้องครับท่านนาบีปลูกลูกสาวขึ้นมาบอกว่าอย่านอนหลังจากนามาสุบโบเสร็จเราก็ปฏิบัติตามนาบีพี่น้องเราก็บอกลูกของเราลูกอย่านอนหลังนามาสุบโบปัญหามีอยู่ว่าลูกเรานตื่นในเวลาสุบโบหรือเปล่านี่นระาคุยเรื่องไม ah on, ่นอนถามว่าตื่นหรือยังน้ำนมาสุบโบนะัตื่นกันแล้วหรือยังพี่น้องถ้าเราไม่ฝึก ถ้าไม่ฝึกตื่นนะมาสุโบถ้าไม่ฝึกตอนได้ยินเสียงอาจารย์ถ้าไม่ฝึกนะมาตะฮัดยุทธพี่น้องนะมาสุโบในเวลาเนี่ยค่อนข้างจะลําบากครับลำบากแต่เราเป็นฝึกมันต้องฝึกได้แล้วเพออายุเรกาก็เยอะแล้วพี่น้องถ้าแผ่นดินไหวตอนนี้ก็คงไม่เสียดายชีวิตแต่พอมันผ่านดุนยามาเยอะแล้วพี่น้องครับนบีบ ปลกลูกสาวบอกว่าอย่านอนนะครับเพราะอัลลอฮฺจัดสรรริสกีเพราะว่าริสกีทุกคนตามลืมหมดเ ล, ล้วหอัให้ให้ไรนให้เครื่องยังชีพคําว่าเครื่องยังชีพในพี่น้องอย่าแปลอธิบายว่าเป็นเม็ดเงินอย่างเดียวไม่ใช่สิ่งที่เราได้ประโยชน์เป็นริสกีทั้งหมดพี่น้องเนี่ยออกซิเจนที่เราหายใจอยู่ในห้องแอร์เย็นๆนี่ก็เป็นริสกีพี่น้อง ความรู้เนี่ย knowledge ที่ท่านพี่น้องได้จากผมไปหรือได้จากกุรานสักหนึ่งอายะพี่น้องนี่เป็นริสกีทั้งหมดที่ท่านพี่น้องเดินทางมาจากบ้านมาถึงอันยุมันอิสลามเนี่เป็นริสกีนีพี่น้องนะเดินทางมาอย่างปลอดภัยอัลฮัมดุลิลลาฮ์เป็นริสกีทั้งหมด พี่น้องนบีสั่งลูกเอ้ยเวลาสุบโบเสร็จแล้วเนี่ยนมาสุบโบเสร็จอย่านอนจนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นเพราะเป็นช่วงที่อัลลอฮ์กำลังจัดสรรริสกีให้กับทุกคนขึ้นมาเป็นพยานนะครับมาน้อมรับริสกีของอัลลอฮ์ที่จะมอบให้ในะตอนเช้าเช้าพี่น้องครับ ตอนเชา้ชาเช้านี่พี่น้องครับให้อ่านดูอาที่ผมแนะนำเ ม, มื่อ ด, ก, ah um ah na, na, nah ya, ดกีนี่อัลลอฮุมะบิกะอัสบะฮ์นาวะบิกะอัมไซนาวะบิกะนัยยาวะบิกะนามูตวะอิไลการนุชุดีเป็นการนึกถึงอัลลอฮ์พี่น้องพี่น้องต้องต้องท่องดูอากันแล้วแหละนะแล้วก็มันมีอยู่วักหนึ่งผมจะแปลให้ท่านพี่น้องฟังอัลลอฮุมะอินีออูซบิกะมินัลกล นี่เป็นดูอาร์ที่อ่านตอนเช้านะโอ้ Allah ออฉันขอความคุ้มครองจากอล l l a h ให้พ้นจากความขีเมข้เกียดถามขี้เกียดดีได้ไม่ดีนี่ถ้าไม่มาถ้าขี้เกียดมาตรงนี้ไม่มีคนนั่งเลยเป็นน้องดีได้ไม่ดีผมขี้เกียดด้วยผมก็ไม่ว่า Allah หมดเลยเป็น้องดุนยานี้ไม่มีความหมายเลยครับเป็น้องแะ่นั้นขอความคุ้มครองจากอล l l a h ให้พ้นจากความขี้เกียดวาซูอิลกีบารี วักเทียดีมากครับขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากอายุมีอายุแล้วแก่ชาราแล้วหลงหล ง, ล, งลืมลืมอยากได้ไหมอัลลอฮ์พี่น้ อ, อ, นองเราต้องขอเพื่อไว้ก่อนอย่าอลัลลอฮ์อย่าให้ฉันเป็นคนที่หลงลืมมีอยู่คนหนึ่งเขาเรียกภ ร, รยาเขาเขาเรียกเพราะว่ากนะที่รักจา๋าผู้ชาเนี่ยอายุเยอะเลยพี่น้องลูกหลานเห็นแล้วหมั่นไส้ อ๋อโลเรียกที่รักจ๋าที่รักจ๋าเพราะลูกหลานก็ไม่เคยเรียกภรรยาที่รักจ๋าแต่ว่าตัวยอดคนนี้อ๋อโลพูดเพราะมากไปถามว่าทำไมถึงเรียกทีรักจ๋าลืมชื่นไปแล้ว <laughs> ลืมชื่อภรรยาไปแล้วอ๋อโลไปน้องแต่ค่อยเข้าใจเรียกนะเรียกที่รักนะที่รักจ๋าดีไหมดี เพราะว่าจะเรียกชื่อจริงๆลืมไปแลชื่ออะไรคนลืมไปแล้วพอมีหลายคนหรือเปล่าวันลอยวันเราไม่รู้นะหรืออาจจะมีคนเดียวแล้วหลงหลงลืมลืพราะซูอิลกีบัตแปลว่าอายุมีชาราแล้วหลงหลงลืมลืมขอไหว้พี่น้องผมมีคนรู้จักอยู่คนหนึ่งทํางานโรงงานยาสูบไปเที่ยวที่ประเทศอะไรนะประเทศ ซีเอ็มเจซีเรียประเทศรัสเซียไปกันเป็นเจมาอาใหญ่พี่น้องมีมุสลิมไปสองสามคนมียุคนนึงไม่ได้กลับหลงไปหลงที่ประเทศรัสเซียพี่น้องแล้วก็ทุกอื่นกลับหมดเหลืออยู่คนเดียวเขากะตายแล้วประมาณสักสองสามอาทิตย์บินกลับมาแล้วโดนลินเลยพี่น้องหลงถามว่าดีไหมละหลงนี่ดีไห ที่บ้านเป็นห่วงหมดเลยลูกก็เป็นห่วงภรรยาเป็นห่วงคนที่ไปดูกันสามสี่สิบคนเป็นห่วงหมดพี่น้องเพราะคนคนนี้ไม่เคยขอดุทิศต่ออัลลอฮ์ถึงเป็นแบบนี้พี่น้องถ้าเราขอดุทิศต่ออัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์เป็นเจ้าของโลกใบนี้พี่น้องอัลลอฮ์คุมแต่เพียงคู่เดียวถ้าเราขอดุทิศขอขอพรบ่อยบ่ออัลลอฮุมะอินนีอาอูซูบีกามินาลกาซาลีวาสูอิลกีบารี ขอความคุ้มคองจากอัลลอฮฺอย่าให้ฉันเป็นคนขี้เกียจ er อย่าให้ฉันเป็นคนที่หลงลืมอัลลอฮฺพี่น้องออกมาฟังศาสนาที่อันยุมันกลับไม่ถูกพี่น้องอ้าไปโพที่สุราษเอ้าไปทําไมที่สุราษหลงเอาไหมพี่น้องอย่าเอาๆๆๆอย่อาอ เ, อเอาอย่าเอาขอทูลอัลลอฮฺเผื่อไว้ก่อนพี่น้องผมขอทุกวันผมขอทุกวันพี่น้องนะเช้าๆต้องขอทูลอัลลอฮฺครับพี่น้อง แล้วต้องซิกหุล ullah เยอะๆพี่น้องให้ว่าอย่างนี้สุบฮานอัลลอฮิลออซีวะบิฮามดีฮีรอยหนึ่งตอนเย็นอีกรอยหนึ่งตอนจะนอนอีกรอยหนึ่งพี่น้องทําได้ไหมได้ไหมเคยทํายังคืนนี้เอาไปทําเลยนะอลัลลอฮ์พี่น้องทอําเถอะพี่น้องหนักตาช่าง ไอ้คำพูดของเราตรงนี้นะุบฮานอัลลอฮิละีมวะบฮามดีพี่น้องบาวลินกับดาอันไหนจะหนักกว่ากันดาดาพี่น้องดาสามีนี่ละปั๊กับสุบฮานอัลลอฮิละีมวะบีฮามดไหนจะง่ายกว่ากันสุบฮานอัลลอฮง่ายกว่าแล้วกบบาลินด้วยอัลลอ์มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอ์หนักตาช่างคเรียกว่าหนักตาชูผลบุญเยอะมากพี่น้อง แล้วก็บาลิ้นและเป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮ์สุบฮานาหูตะอาลาเี่ยนองผลบุญเยอะมากครับเปี่ยนองฉะนั้นสุบฮานอัลลอฮ์วะบิฮามดีสุบฮานอัลลอฮิลอาซิมสองประโยคนี้นะเช้าวๆว่าเท่าไหนึ่งร้ก่อนตะวันตกก่อนตะวันตกหลังนามาตอัสรุีสุบฮานอัลลอฮ์วะบิฮามดี ه, สุบฮานอัลลอฮิลอาซิมนี่เป็นการชมอัลลอฮ์เปี่ยนอง อีกร้อยครั้งแล้วก่อนจะนอนอีก س ب ح านุลลอฮิลาอูซี س ب ح านุลลอฮฺวะบิฮามดีฮีอีกร้อยครั้งครับพี่น้องพี่น้องครับชมอัลลอฮฺเยอะเลยลฮัมดุลิลลาฮฺแล้วก่อนนอนให้อ่านสุระัตบารอกัลลาีบิยดีฮิลมุล ก, กุวะวาลาคุลิชาอิงกอดีให้ว่าให้อ่านทั้งสุรัตเลยพี่น้องคนที่อ่านสุรัตนี้เนี่ยรู้ความหมายด้วยพี่น้องอัลลอฮฺจะปกป้องอะไรนะ ไม่ให้ถูกลงโทษที่สุสานไม่ถูกลงโทษที่สุสานแต่มีเงื่อนไขคนที่อ่านสุร้อนี้ต้องทําตัวเคร่งครัดอยู่ในาศาสนาต้องทําตัวเคร่งครัดครับอย่นอ้องต้องทำตัวดีทําตัวดีถ้าเป็นมุสลิมอะทําอย่างนี้ทำสี่ข้อหนึ่งให้นมาต ให้ครบวันละห้าเวลานมาให้ครบห้าเวลานะพี่น้องนะแล้วก็รักษานำมาสุนัตอีกอะก่อนนมาสุบโบกีเรากา็อัดสองเรากา็อัดทัา น, นาบีโซนะคนที่รักษาสุนนะเรียกว่าราวาติปเนี่ยสุนนะราวาติป์พี่น้องก่อนนมาสุบโบสองเราก็อัดเนี่ยนะเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกใบนี้ระหว่า ใครจะใครที่ร่ำรวยมหาเศรษฐีในอเมริกาพี่น้องสู้เราไม่ได้เพราะนาบีพูดว่าคนที่รักษานามาซูนัดสองเราก็อัดก่อนนามาซูบโบทุกวันนะครับและเพราะท่านท่านนาบีเนี่ยสั่งให้ลูกนามาสั่งให้ภรรยานามาลูกนบีภรรยานาบีตัวท่านนาบีเองบรรดาสหายที่อยู่ใกล้ชิดกันนบีนามาซูนัดสองเราก็อัดก่อนนามาซูบโบทุกคนพี่น้อง แล้วก็ดีกว่าคนที่นมาสองรกอาต่อก่อนนมาสซโบนเนี่ยดีกว่าที่เขาดีกว่าสิ่งที่อยู่บนโลกดุนยาทั้งหมดพี่ท่องบนหน้าดุนยาใบนี้ที่อยู่ใต้ดุนยาใต้แผ่นดินนี้มีน้ำมันมีทองนมาสองรักอาต่นั้นมีรางวัลมีค่ามากกว่ามีบ่อ น, น้ำมันมีเพชรมีพลอยเราเป็นเจ้าของนมาสนทัด สองรองอัดนั้นมีรางวาลัลผลบุญมากวาม ก, ามากว่ามีกําไรมากกว่ารวยกว่าพี่น้องถ้าเรามีบ่อน้ํามั น, มนะนมด้วยเนระามรีน้ามาด้วยดนะีไหมฮามดุลิลลาพี่น้องมีเพชรด้วยแนละ้วมีบ่อน้ post, นะํามันมด้วยแนละ้มี น, น้ํามนะนนาสองรองรองอัดก่อนน้ำมาสบดีไหมอัลฮามดุลิลลาพี่น้องฉะนั้นของที่นบีสั่งเป็นเรื่องจริงทั้งหมดครับพี่น้องพี่น้อง คนที่เคร่งคัดศาสนาหนึ่งถ้าเป็นผู้หญิงต้องอะไรนะน้ำมานให้ครกวันละห้าเวลาสองสองถือศีลอดในเดือนอามอรให้ครบนะครับแล้วก็ถือศีลอดเดือนเนี่ยทุกเดือนเนี่ยวันหนึ่งวันไหนวันจันวันเพื่อรหัสรักษาไว้ไปน้องนี่อายุเยอะๆอย่างพวกเรานี่ยไปน้องรักษาบวชสุนัตนี่นะโรคภัยไข้เจ็บ อยู่ไม่ได้มันกลัวคนบวชโรคเบาหวานก็กลัวคนบวชโรคไขมันก็กลัวคนประหดมันอยู่ไม่ได้มันไปแล้วจะไม่อยู่แล้วบวชเก่งเหลือเกินน่ะเดี๋ยวบวชเดี๋ยวบวชผมป่วยที่โรงพยาบาลครั้งสุดท้ายเนี่ยมีคนอานหนังสือมาให้เล่มหนึ่งยิ่งหิวยิ่งหิวยิ่งทำให้สุขภาพแข็งแรง ให้ทองเนี่มารองชกชกชกชกไปน้องนี่แหละสุขภาพอ๋อชั้นหนึ่งไปน้องแค่นั้นนี่ญี่ปุ่นเขาเขียนไปน้องเป็นคำเป็นการอธิบายการถือสินอดเป็นการอธิบายการถือสินอดวันจันทร์กับวันพรหนะฮัตเป็นการอธิบายเรื่องถือสินอดในเดือนละมากรที่ดีที่สุดไปน้องอัลฮัมดุลิลลาฮ์ไปน้องเราไม่ต้องมานั่งคิดเขาคิด มาอธิบายเรื่องให้ให้ใหท้องหิวหิวในพี่น้องดีผู้สุขภาพหมดเลยครับพี่น้องสรุปพี่น้องคนที่เป็นไข้ได้ป่วยมากๆเนี่ยสุยายพูดนี้กินจุทั้งหมดใช่หรืไม่ใช่หน้าท้องเนี่ยรอยืนมาเนี่ยยื่นออกมาเป็นนิ้วพี่น้องเป็นคืบเลยนะรอตรงไหนพี่น้องหุ่นก็ไม่รอด้วยไม่สวยด้วยแถมยังพาโรคอีกขยันเท่าลรแค่นั้น เอาสูดหนานาบีไปใช่นบีหน้าทองไม่มีครับหน้านาบียืนเนี่พี่น้องสมา่าทหน้าท้องไม่มีนั่นหุ่นของนบีแต่เราไม่ได้มองตัวนั้นมองว่านาบีสุขภาพดีพี่น้องนบีเคยเห็นซอบ้าบาร์บีบางคนท้องยืนง่นออกมานบีเอามือแทงท้องเอาส่วนนี้เนี่ยไปแบ่งท่้นคนอื่นกินบ้างไม่ได้หรือเห็นอย่งางครัพี่น้อง ยิ่งใหญ่ขนาดไหนนบีมุฮัมมัดสุลามฉลามนี่ไปน้องครับสอนคนนิดพี่น้องทุกเรื่องแม้จะเรื่องสุขภาพก็ยังสอนนะครับตูลองว่าคนที่จะเข่งคัดศาสนาหนึ่งถ้าเป็นผู้หญิงต้องอะไรนะนำมาผู้ชายก็ต้องนำมาถ้าเวลาสองถือศีลอดข้อที่สามไปน้องครับว่าอาัลตออันบาลาหาถ้ามีสามีก็ต้องเชื่อฟังใครายนะเชื่อฟังสามี มีผลบุญเยอะครับพี่น้องภรยาที่เชื่อฟังสามีอัลลอฮ์ผลบุญเยอะมากครับพี่น้องภรรยาอบดเบี๋ยนเชื่อฟังนับีหมดเลยพี่น้องมีบางครั้งนบับีมีปัญหาต้องการจะหย่าภรรย า, รยาอัลลอฮ์ให้จิบรี ล, ลงมาบอกีย่าทําทไมอะ่พะพ่อนามีความดีส า, า, า, า, ามอย่างหนึ่งภรรยาอบีนมาดเก่งห้ามหย่า 2องพญานาบีถือสินอดสม่ำเสมออยาย า, ยาข้อที่สามอัลลอฮ์รจิสเตอร์เอาชื่อของพญานาบีทั้งหมดอยู่ไหนสวนสวรรค์อยู่แล้วเห็นไหมเหอหยอะเท่าไหร่ชื่นั้งของดีที่พญานาบีทําอัลลอฮ์ยังห่วงแลยอยายาณนะมุฮัมมัด พอสูลลอยายาพรรยานะให้ทำไงนะให้เอาใจใส่ดูแลภรรยาให้ดีเพาะภรรยานาบีมีของดีสามรายการหนึ่งนามาดเก่ง 2. ถือสินอ ด, ดเก่งอันที่สบันทึกชื่อจองชื่อจองที่ในสวนสวรรค์ให้แล้วนี่นะเป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ฉันนั่งเป็นน้องหลายครับ รักษาเข่นคัดในศาสนาหนึ่งต้องนำมาสองถือสินโอดสเชื่อฟังสามีข้อที่4ี่พีัน้องหลายนะครับอะไรนะฮสัสนัดฟราร์จารักษาเนี่ยกินอายตัวเองอย่าให้มีคำว่าจีนามีชู้อย่าให้มีนะครับต้องปลอดภัยในเรื่องนี้สี่รายการนี้พี่น้องครับ ถ้าใครรักษาได้จะทำอยู่ดิแล้วอัลลอฮ์จองที่ในสวรรค์ไว้ให้กับคนประเภทนี้นะครับเพียงหลัพี่น้องครับวันนี้เรามาดูกุรานอายะที่16กับอายะที่17บสองอายะนะพี่น้องอ า, ลลาอามุสบิลลาฮิมินัสัยตันิรรจีมอาเมน툼ฟิสเซมาอิไอยัซซิฟาบิ كوم ุลอาร์ต ฟาอิฎยะตมูรหน้าส3บานะครับอาเมนตุมฟิสมามะฮียัชซฟบิคุมุลอาร์ด์ฟาอิยะตมูร์อัลลอี่ต้องอ่านคุรานเนี่มันชื่นใจะแต่ต้องรู้ความหมายนะถ้าฟังเสียงอย่างเดียวฟังเสียงผมอิมาน ล, ลด มันต้องเสียงเ พ, พราะเพราะพี่น้องอ่านดูคาแปลอาอามินตุมสู่เจ้าคิดว่าสู่เจ้าเนี่ยจะปลอดภัยกันนั่นหรืออาอามินตุ่มพวกท่านคิดว่าพวกท่านเนี่ยจะปลอดภัยกันนั้นหรือต้องไปถามพี่น้องชาวเนปาลต้องไปถามพี่น้องชาวเนปาลอยู่คุณอยู่ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยวันเนี้ยปลอดภยัยไหม ประเทศในปานปลอดภัยไหมไม่ปลอดภัยถามคนในอยู่ในกทมเนี่ยจะปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยยังนึกไม่ได้ยังตอบไม่ได้อะแค่ด้านวันนี้เราอยู่ด้วยความกลัวนะพี่น้องนะการลงโทษของอัลลอฮ์นั้นมันมาได้ตลอดเวลาถ้าอัลลอฮ์มันไสใครถ้าอัลลอฮ์ไม่พอใจใคร ถ้าอัลลอ์โกรธใครพี่น้องอัลลอ์ก็จะลงโทษก่อนที่จะลงโทษนะ่ะเขาให้ตัวครูมาสอนก่อนเขาให้คนดีๆมาสอนก่อนพี่น้องอย่างที่อัลลอ์โกรธฟาโรยกตัวอย่างนะอัลลอ์โกรธฟาโรฟิรอาลพี่น้องก่าจะลงโทษนะ่ะให้เวลาแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะ่ะ0ปีสี่ปี ให้น บ, บีมูซามาสอนก่อนนะสอนสอนสอนสอนสอนทะเลาะกับน บ, บีมูซาเถียงกับน บ, บีมูซากีป่ปีอย่างน้อยสาสิปีถึงสี่สิบปีผลสุดท้ายแล้วอัลลอฮ์รู้ว่าฟาโร่เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแน่ก็เลยให้จมน้ําทะเลตายพี่น้องพี่น้องหลายคนคิดว่าตายแล้วจบถามว่าตายแล้วจบไหมล่ะตายแล้วไม่จบนะพี่น้องนะ ดูคุณอ่านครับอุกรีกูพวกเขาถูกให้จมน้ําตายให้จมน้ําตายเนี่ยไม่ใช่ฟาโรห์อย่างเดียวนะสมัยนบีอะไรอีกนวัวอ่าสมัยนบีนัวอีกพี่นอ้องญาติพี่น้องนบีนวัวไม่รู้ว่าเท่าไรตัวเท่าไรเป็นแส น, นพี่น้องเป็นแสนเป็นล้านคนที่ขึ้นเรือประมาณ80ดสิบคนที่ไม่ขึ้นเรือเนะี่ยเป็นแส น, นพี่น้อง จมน้ําตายไหมจมครับอย่างน้อยเน่ยสองนบีนบีมูซากับนบีนูฮ์อัลลอฮ์ให้จมน้าตายอุกรษีกูถาว่าอยู่บนโลกดุนยานี่ปลอดภยัยไม่ปลอดภัยนะเนี่อัลลอฮ์าถามอาอามินตุมพวกท่านทั้งหลายเนี่ยคิดว่าคุณเนี่ยอยู่แล้วปลอดภัยกันนั้นหรือพี่น้องครับอยู่ไม่ปลอดภัยนะ ตาท่านพี่น้องไปอ่านในฮะดีจะพบเนี่ยแผ่นดินนี่ในพี่น้องครับขอ dua ต่ออัลลอฮ์ทุกวันอลัลลอฮ์จะให้ชั้นขยับเขาไหมให้ชั้นเนี่ยแผ่นดินไหวไหมใครขอพี่น้องครับแผ่นดินขอ dua ต่ออัลลอฮ์เพราะว่าแผ่นดินนี่พีน้องครับคนที่อยู่บนหน้าแผ่นดินเนี่ยงานที่อลัลลอ งานที่แผ่นดินโกรธมากที่สุดนะ่ะก็คือเห็นคนบนหน้าแผ่นดินนี่ทำดีนาอยู่กันโดยไม่ได้แต่งงานพี่น้องกับงานนี่แผ่นดินโกรธมากๆเลยพี่น้องที่แผ่นดินนี่มันจะสั่นเองไม่ได้ถ้าอาลัลลอไม่ไม่เปิดไฟเขียวแผ่นดินขอนะอลัลลอฮฺจะนี่อยู่บนชั้นนี้นะ่ะทำดีนากันแสนคู่นี่นี่น น, น, น, นี่ในตึกหลังนี้เนะี่ยทำดีนากันแสนคู่ ในบริเวณเนี่ตั้งแต่ถนนเนี่ยเจริญกรุงด้านโน้นเรื่อยไปถึงสุขุมวิทนะล้านคู่เมื่อคืนนี่ที่แผ่นดินมันฟ้องอร่อยอย่างนี้ฉันทนไม่ไหวแล้วนะมาย่ำยีฉันมาทำศินาะให้ฉันเห็นทำไมนี่แผ่นดินพูดนะพี่น้องหรืออรรอลเลยถามนั่นกืมีกุรอานว่า อ, อามินตุมพวกคุณอยู่บนโลกดุจยาไป็ น, นี่คิดว่าปลอดภัยกันนั้นหรือพี่น้อง สมัยน บ, บีนัวจมน้ำตายมาแล้วสมัยน บ, บีอิสมูซาฟาโร่ถูกจมน้ำตายมาแล้วแล้วเป็นไงครับอุกรีกูถูกให้จมน้ําตายแล้วยังไม่พอฟาอูดขี้รูน่ารออัลลอฮ์ให้เขาอยู่ในนรกต่อไม่ใช่ตายแล้วจบพี่น้องให้วิญญาณของเขาให้ตัวของเขาเนี่ยหาศพไม่เจอพี่น้องจมน้ําตายหมดแล้วแต่วิญญาณของเขาออกจากร่าง ไปอยู่ในนรกต่อฝ้าอุดขี้รูน่ารอดพี่น้องครับถ้าไม่อ่านกุณอ่านนึกว่าสบายทุกคนไม่ใช่วิญญาณอยู่ในนรกครับพี่น้องทั้งหลายพี่น้องครับอ่านกุณอ่านอาญาหนี้เป็นข้อเตือนใจนะอารมณนตุม่มผู้ท่านทั้งหลายคิดว่าคุณปลอดภัยกันนะหรือที่จะไม่ถูกลงโทษจากอรรรคพี่น้องผมมีเพื่อนอยู่ในในปาเนี่ยหลายคน ไม่ได้ติดต่อกันมาครับพี่น้องไม่ตังกัสามสิบปีเรียนหนังสือรุ่นเดียวกับผมอยู่ในอิเทศอินเดียเนเสร็จแล้วก็ได้รับจดหมายฉบับหนึ่งมาจากสมาคมอ์มัดอิบนุฮัมบัลชื่อสมาคมนะอามัดอิบนนฮัมบัลที่ทิ้น ท, ท, ทิที่เนปาลส่งจดหมายไปทงางซาอุดีอาระเบียแล้วก็ทงางซาอุดีส่งจดหมายมาหาผมที่ประเทศไทยพี่น้องขอบริจาค เพราะว่ามีมุสลิมประมาณล้านกับสองแสนคนประชากรในปาณประมาณ22ล้านมีมุสลิมหนึ่งล้านกับมาณสองแสนคนหนึ่งล้านกับสองแสนคนแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ถูกลงโทษครั้งนี้ถูกแผ่นดินไหวที่ตายใ ต, ยตย้อะ น, นี้อาคารใต้หินพี่น้องส่วนใหญ่เป็นคนฮินดูและคนต่างชาติเยอะ และมีมุสลิมที่ถูกบาลล่าครั้งนี้เล็กๆในน้อยแต่เขารู้ว่าหมู่บ้านมุสลิมถูกอยู่หมู่หู่บ้านหนึ่งทําไมอัลลอฮฺจะให้มุสลิมถูกด้วยมุสลิมอาจจะไม่ทํางานศาสนาก็ได้มุสลิมกลุ่มนี้พี่น้องอาจจะไม่ทํางานศาสนาอยู่เฉยๆเดินตามคนคาเฟ่เดินตามคนพี่น้องมุสลิมที่อยู่ในคัตมันดูนะพี่น้องคัทมันดูชื่อนะคนไทยเรียกคัทมันทุ ภาษาอูรดูนะเขียนว่าคัตมันดูคัตมัลคัตมั น, มนไไว่าเลือดเนี่ยอะไรนะไอคนที่ที่ที่ททมันกัดคนน่ะกลงคืนอ่ะเลือดตัวเลือดใช่ไหมอ่าคัตมันคัตมันคัต ม, มันดูไปน้องอละไรไปน้องเขาขอบริจาคไปน้องคร อ, อบครัวละสามพันบาทครอบครัวละสามพันบาทไปน้องเขาขอจนจนมามาหาผมเดี๋ยวผมจะออกทีวีอินชาลอขอบริจาคได้สัก ร้อยครอบครัวกับสามแสนเลยไปน้องนะก็ส่งไปไปนอนกะันหอังยิลล่งชอบรอไปนอ้องอะล้วต้องการจะอธิบายว่าอาอามินตุม่มกุณอ่านที่ท่านไปน้องอ่านอยู่เนี่ยอัลลอฮ์ถามว่าอาอามินตุมพวกท่านเนี่ยคิดว่าคุณจะปลอดภัยกันนั่นหรือมัมฟิสมาผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าถามว่าใครอยู่ในชั้นฟ้าไปน้องใครอยู่ในชั้นฟ้าไปน้องใคร อัลลอฮ์อัลลอฮ์สถิตยอยู่บนชานฟ้านี่คุณอ่านพี่น้องมันฟิสมาผู้ที่สถิตยอยู่บนชานฟ้าคืออัลลอฮ์สุบฮานะหัวาานะอะไรพี่น้องมีคนถามมาหาว่าอัลลอฮ์อยู่ไหนอัลลอฮ์น่ยอยู่ที่ไหนมีคนถามนะผมโทรทโทรโทรถามจานที่ซอนๆน่ะพิษอัลลอฮ์อยู่บนชานฟ้าไม่มีเขาบอกว่าอัลลอฮ์อยู่ทูหนทุ่แห่งพขกไม่ใช่ ตอบผิดนี่งไงมันฟิสซามะเนี่ยใช่ไหมพระองค์ทรงสถิตยอยู่ในชั้นฟ้านี่อัลลอฮ์พูดเองชั้นอยู่บนชั้นฟ้ามันฟิสซามะผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าคืออัลลอฮ์และบิดามาริกะทั้งหมดอยู่บนชั้นฟ้าหมดเลยครับพี่น้องพี่น้องทราบไหมประเทศที่อัลลอฮ์โกรธ แล้วก็พลิกแผ่นดินเอาข้างบนลงข้างล่างเอาข้างล่างขึ้นข้างบนพี่น้องประเทศเ ด, ดซีนะ่ะเ ด, ดซีเ ด, ดซีเขาทำผิดอะไรรู้ไหมทำผิดสามสี่เรื่องหนึ่งผู้ชายกับผู้ชายอยู่ร่วมกันเขาเรียกฮอร์โมนเซ็กชวลมีผู้หญิง <laughs> ผู้ชายไม่ปเข้าหาผู้หญิงไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่แต่งงานกับผู้หญิงไปแต่งงานกับผู้ชายนี่เริ่มจากอเมริกาเริ่มแล้วหลายๆแห่งก็เริ่มแล้วผู้ชายกับผู้ชายอยู่อยู่ด้วยกันไม่ช้าเธอไม่ช้าเธอพลิกแผ่นดินพี่น้องแล้วจะล้วจะจ ะ, จ ะ, จ, ะ, จ, ะจะรู้สึกอัลลอฮ์รู้อย่างนี้พี่น้องครับประเทศไหนเดซี เจ็ดเมืองพี่น้องถูกลงโทษจากอลัลลอฮ์เลยพลิกแผ่นดินหมดเลยครับพี่น้องยกเว้นมีอยู่เมืองเดียวจังหวัดเดียวเชืเ่อประแจกจังหวัดสุดูมสุดูมพี่น้องเป็นเมืองที่นบีลูดอยู่กับผู้ศรัทธาต่ออลัลลอฮ์อาศัยอยู่อลัลลอฮ์รักษาเมืองนี้ไว้พี่น้องไม่ให้ถลม่มไม่ให้พลิกแผ่นดินน้อง น, นั้นเจ็ดเจ็ดไร น, นะเจ็ดเมืองอลัลลอฮ์ถล่มหมดเลยครับพี่นอ้องทั้งหลายในปาง ก, ก็เหมือนกัน สึนามิครั้งที่แล้วประมาณสิบปีทีแล้วพี่น้องเหตุเกิดที่ประเทศอะไรอินโดนีเซียเขาเรียกว่าเมืองอะไรนะเมืองอาเจผมได้รับข่าวไว้ๆนี้พี่น้องข่าวว่าอย่างนี้วันที่ยีสบห้าเนี่ยเป็นวันคริสต์มาสใช่หรือไม่ใช่ใชวันฉลองวันนบีอีสซาเกิดใช่ไหมมันโกหกทั้งหมดนบีอีซามันจะเกิ ด, ดอุบัติเหตุนั่นเอาละรายละเอียดมาต้องคุยคุยว่า พี่น้องอาเจที่เป็นมุสลิมในประเทศอาเจในมดเลเซียพี่น้องในเมืองนั่นส่วนใหญ่เขาเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสกันบ้านมุสลิมก็พี่น้องเฉลิมฉลองคริสต์มาสกันเต็มหมดเลยพี่น้องจะมีอุลมามะประมาณห้าหคนเขาเป็นห่วงกลายเป็นห่วงมุสลิมทําไมไปไม่ได้นามาเท่าไรพี่น้องอี่ยุงฮิยาก็ไม่ได้คุ้ม ศาสนาก็าไม่เอาแต่ไปฉลองวันคริสต์มาสวันที่24่สิบสี่เปน็นเรื่องไปแล้วก็มีโอุลมามะห้าหกคนเนี่ยไปไปไปเชิญเชิญบอกบอกพี่น้องเอ้ยหันมายึดอัลลอฮ์ราซูลเธอเรามันยุคมันที่มจะยุคของนบีอิสานี่มันยุคของนบีอะไรนบีมุฮัมมัดเรามันยุคของสชอตอนนี้ไปยึด ค, คนกาวได้ยังไงคนก่าวหมดแล้ว นี่มันยุคของใครยุคของนบีมูฮัมมัดไม่ใช่ยุคของนบีอิซาไม่ใช่ก่อนนบีมูซาอีสาไม่ใช่ในยุคของใครยุคของนบีมัมดต้องเชื่อรนบีมูฮัมมัดไปเชื่อนบีคนก่อนได้มีปัญหานะ่ะไปเตือนครับไปเตือนบอกให้หันมาหาอลัาลลอฮ์เราราซูลเดินหลายบ้านพี่น้องทุกคนก็สืบทํานุกเดือนกันเยะแต่มีอยู่บ้านหนึ่งพี่น้องพอไปยืนอธิบายจะของบ้าน ต่อยเลยพี่น้องต่อยเปรี้ยงต๊ะครูก็ดิกรล่มไปพี่น้องพอลมก็นสามสี่คนนั้นก็อุ้มอุ้มไปไปที่มัสยิดมันอยู่ที่มัสยิดหลังใช่ไหมที่เมืองอาเจที่พังหมดเลยนะแต่เหลืออยู่มัสยิดอยู่หลังนึงเห็นใช่ไหมในภาพน่ะมัสยิดนั้นแหละที่ต๊ะครูเนี่ยเอาคนที่ถูกต่อยเนี่ยไปไว้ในมัสยิดหลังนั้น คืนนั่นทางคืนพี่น้องไม่ได้นอนร้องไห้ขอดูอาตอรออัลลอฮฺจะให้เปลีป่ยนแปลงคนในอาเจะนี้ด้วยเขาทิ้งาศาสนากันหมดแล้วพี่น้องพอหนามาสุบโบจบพี่น้องทั้งห้าหกคนเนี่ยยืนอยู่ที่หน้ามัสยิดมีเสียงดังหุมหุมหุมเข้ามาหัานไปดูเอ้านี่นา ม, มาแล้วเนี่ยนี่น้า ม, มาแล้วน้ําก็ยุบไปพราอมมาอีทีพี่น้องครับ พอจะมาถึงหน้ามัสยิดมันแหวกเลยพี่น้องแหวกพี่น้องบ้านริมริมมัสยิดพังหมดเลยพี่น้องตายกันหมดเลยแต่มัสยิดหลังนี้เว้นเอาให้หลังเดียวห้าหกคนนั่นปลอดภัยพี่น้องทั้งหลคนที่ปลอดภัยก็คือคนที่เป็นห่วงคนนะพี่น้องครับคนที่ไปสอนคนเตือนคนเข้าม า, า อ, อัลลอฮฺเถอะมาหาเราซูลเถอะพี่น้อง จะด้านภาพที่เราเห็นในเมืองอาจจไม่อยู่มัส j ิดหลังเดียวใช่ไหมนั่นไม่เป็นอะไรเลยกระจกก็ไม่แตกไปน้องเพราะอัลลอฮ์คุ้มครองเอาไว้ไปน้องครับคนที่อยู่กับอัลลอฮ์ท่านั้นแหละไปน้องครับถ้าไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอาอิสลามไปน้องครับอัลลอฮ์ให้อยู่บนโลกดุญญนยาไปนี้แบบสง่างามแล้วอยู่อย่างดีด้วยไปน้องเอ้เงินก็มากกว่าอะไรก็มากกว่าชื่อเสียงก็มากกว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างดีหมด แต่ว่าชีวิตหลังตายอันตรายมากครับท่น้ชมแต่บางทีอัลลอฮฺก็ทนไม่ไหวเหมือนกันเอาเล่นงานสักทีหนึ่งที่เนปาลฉะนั้นเราอยู่โดยกทมนี้ต้องได้รับความรู้ตรงนั้นด้วยว่ามีมีอาซาบ์เกิดขึ้นที่ที่ทิ่นที่เนปาล น, นะครับและเราจะแก้ตัวยังไงวันนี้แล้วก็ต้องมองดูตัวเรานมายครบไปยังถือบวชไหมอ่านกุตอสานไหมเอาศาสนาไหม ลูกเราเป็นยังไงภรรยาเราเป็นยังไงตัวเราเองเป็นยังไงเป็นน้องต้องนึกให้เป็นน้องทั้องหลายแล้วก็ค่อยๆแก้ไขปรับปรุงตัวเองอา อ, า ม, ม อ, า, อามินตุมอัลลอฮ์ถามพวก ค, คิดว่าคุณจะปลอดภัยกันนั่นหรือมัมฟิสมาที่พระองค์จะทรงที่พระองค์ทรงสถิตอยู่บนชั้นฟ้าอาลัลลอฮ์อยู่บนชานฟ้าครับอลัลลอฮ์อยู่บนชั้นฟ้าน่ะที่ไหนครับอยู่ในบาลังของอลัลลอฮ์เขาเรียกว่า บลังในภาษาอูรดูดูผมอยู่อินเดียมาครับบาลังบาลังปว่าเตียงเตียงน้อง น, นี่แหละเป็นน้องเขาเรียกบาลังผมก็มีบาลังอยู่ใน่อินเดียบาลังไปนะเตียงแต่มาชตาิกั บ, าาบรถไฟบาลังโอ้โหเป็นแท่นโอ้ที่อะไรที่ไรนะที่ประทับ อัลลอฮ์อยู่ในบัลลังของพระองค์บัลลังอยู่ที่ไหนบัลลังอยู่บนชั้นฟ้าครับชั้นที่เจ็ดพี่น้องนี่ตอนวนที่นบีมุฮัมมัดขึ้นแม่อัอฮ์พี่น้องครับชั้นฟ้าชั้นชั้นที่หนึ่งเจอนบีอาดัมชั้นที่สองชั้นที่สมเจอนบีหมดชั้นที่หเจอนบีอิมุญบีมูซาชั้นที่8ดเจอนบีอิบรอฮีมชั้นที่7จ็นบีอิบรอฮีมที่หนบีมูซาที่เจ็ดนบีอิบรอฮีม พอชั้นเลยชั้นที่เจ็ดมีอะไรเขาเรียกว่าต้นผู้ซาแล้วก็เลยเ ป, เป็นที่ประทับของอัลลอ์สุภาห์นะนา บ, บีขึ้นไปรับเนี่ยไปรับนมานมาครับพี่น้องพี่น้อ ง, องเมื่อท่านนา บ, บีนา บ, บีมูฮัมหมัดลงมาก็ไปเข้าเฝ้าอัลลอ์พี่น้องครับอัลลอ์อยู่บนชั้นฟ้าอัลลอ์อยู่บนบลังของอัลลอ์ คนที่พูดว่าอัลลอฮ์อยู่ทุกหนทุกแห่งนั่ไม่ใช่ความรู้ของพระองค์อยู่ทุกหนทุกแห่งอัลลอฮ์ทรงเห็นทุกหนทุกแห่งอัลลอฮ์ทรงได้ยินทุกหนทุกแห่งอันนี้มันเรื่องจริงพี่น้องอัลลอฮ์แคนซีแคนเฮียร์ everywhere พี่น้องอยู่ตรงไหนก็ได้อัลลอฮ์รู้หมดพี่น้องแต่อัลลอฮ์อยู่บนบลลังนะครับแต่ความรู้ของพระองค์ทุกหนทุกแห่ง ทรงเห็นทุกหนทุกแห่งแล้วก็ดียินทุกหนทุกแห่งที่มนุษย์กระซิบกะระซาบเอาลออรูหมดเลยก็เป็นทลายวันนี้เอาลอ็รู้มานั่งประชุมกันที่อัญจุมันกี่คนผมพูดเรื่องอะไรถูกบันทึกหมดแล้วกังบนครับพี่น้องคิดอะไรกระจาถูกบันทึกหมดแล้วอยู่กางบนจะเอาเรื่องไม่เอาเรื่องต้องขอทุกอาตศแล้วเอาเองนะครับตัวไข่ตัวมัน <laughs> พี่นอ้องอาเมนตุม่มเอาล่อถาม่นะ พว่านคิดว่าคุณปลอดภัยหรือที่ถามพวกในปานฉันไม่ปลอดภัยแล้วถ้าไม่ปลอดภัยทำไงครับผู้ที่อยู่บนชานฟ้าเนี่ยอายยักษีฟาบีกูมูลอาอลลออจะทรงแทรกสูกเจ้าลงในแผ่นดินเห็นไหมเรื่องเกิดที่ไหนในปา น, นาเข้าใจง่ายครับขุดๆไปไปเจอเด็กรอดมาคนหนึ่งอายุกี่กวบ สามขวบทีเท่าไหร่นั่นแหละที่ไม่รอดก็เต็มไปหมดเลยพี่น้องเห็นยังครับใครให้แผ่นดินเนี่ยสูบลงไปพี่น้องเอาลอทั้งหมดครับพี่น้องแผ่นดินไหวเองไม่ได้ถ้าเอาลอดไม่อนุญาตครับมาพูดถึงแผ่นดินสูบคนที่แผ่นดินสูบท่าที่ผมรู้มีอยู่สองคนหนึ่งกอรูน กอรูครับพี่น้องกอรูนเนี่คนในสมัยนบีมูซาอะเลฮิสลามกอรูนเนี่เป็นญาติของของนบีมูซานี่ยพี่น้องเป็นญาติของนบีมูซาเลยแล้วก็กรอรที่นบีมูซาจะจะมาเผยแพร่ศาสนาะเขาก็อ่านคัมภีร์ตารอ ก, กันอยู่นะาอ่านกันอยู่กอรูนเนี่ยอ่านอ่านคัมภีร์ตารอกเก่งมากเพราะเอาล่อให้ริซกีกับกอรูเยอะๆพี่น้องกอรูนเนี่ยทราบสมบัติ คลังเนี่ยไปน้องเต็มไปหมดเลยได้ไปน้องเฉพาะลูกกุญแจไขคลังเนี่ยไปน้องใช่แพะแกะอู๋ใช่อูดไปน้องเป็นรอยๆตัวนะขนดังนั้นลูกกุญแจไขคลังไปน้องริสกี้เอาล้อให้เยอะมาเยอะมากครับไปน้องเวลาได้ริสกีเยอะๆในแทนที่จะนอบนอบ้นอมกับชูคอแทนที่จะนอบนอบ้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ แทนจะได้เอาเงินเอาบริจาคคนดูแลคนที่ไหนได้จองห้องไงพี่น้องจองหง้องแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งกอรูเนี่ยพี่น้องพูก้กระจีมูซาอะมูซาเอาเงินมนฉันจะเชิญคนมาฟังศาสนาให้คุณพูดทางศาสนาเนี่ยเอาไหมพีบบ่วันเอาสิเอาสิฉันเรียกคนไม่มาอยู่แล้วแต่คุณเรียกคนมาก็มากันเต็มครับพี่น้อง ก็ให้นบิมมูซาสอนสอนสอนนบิมูซาก็สอนตามที่สอนนี่เลยพี่น้องให้นามาท่านนามาสมัก่อนกี่เวลาไม่รู้นะให้นามาให้ถือสินอดอย่าทำดีนาพูดหมดพี่น้องทีนี้ผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมาบอกว่ามูซาน่ยทำทำดีนากระฉันกำลังพูดพูดอยู่ผู้หญิงขึ้นมูซาเนี่ยทำทำดีนากระฉันอ๋อหล่อเสียหน้าพี่น้องคนเนี่ยือหมดเลยมูซาทำดีนาจริงนะผู้หญิงว่าจริงค่ะ มมซาบอกขอสาบานต่ออัลลอ์ฉันทำจริงหรือเปล่าสันแล้วครับพี่น้อง AH อัลลอจ์ยาช่วยหน่อยผู้หญิงสันแล้วครับไม่กล้าพูดต่อหน้า น, นาบีมมซาเสร็จแล้วผู้หญิงรับสา ร, รภาพฉันถูกจ้างมาค่ะฉันนี่ถูกจ้างมาให้มาพูดทำลายนาบีมูซาอะลัยฮิสลา เห็นไหมเป็นน้องต่อหน้าคนเป็น้องโอบโบเป็น้องครับคนแม่เป็นหมื่นเป็นแสนนายเปน้องเป็น้องครับมิสเตอร์กอรูนเนี่ยที่ผมเล่าเงินเด็กีเนี่นะครับมีเงินมีทองมีรีสกีแต่ลืมอัลลอฮฺชูคอเยอะยิงจองหองอัลลอฮฺให้แผ่นดินสูบครับเป็นน้อ ง, น, งนี่ไงไอ้ยักษ์ซฟาบีกุมูลอัลลอใครล่ะคุณคิดว่าคุณปลอดภัยกันนั้นหรือ ผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าคืออัลลอ์สามารถให้แผ่นดินนี้สูบคุณอยู่ลงไปในดินได้นะ่ะคุณยังไม่กลัว อ, อีกเลยยังเยอะยิงยังจองหองอีกหรือทำไมไม่ยอมเชื่อนบีมุฮัมมัดเป็นนบีคนสุดท้ายอีกคนหนึ่งครับคนที่อัลลอ์ให้แผ่นดินสูบคนในสมัยนบีอิบรอฮีมอลัยฮสซาลามชื่อมิสเตอร์เฮซันไฮซันหรือเฮซันซะอย่างนี้นะ อ่ะละชื่อเฮซันเฮซันคนนี้เป็นคนวางแผนวางแผนต้องคนเก่งเลยเพียน้องนะไม่ใช่เก่งเขาไม่ให้วางแผนเรากลายเปน้องคนที่วางแผนทําลายนาบีอิบรอฮิมมาลายิสซาลามเขาประชุมกันหลังจากนะั้จับจับนบีอิบรอฮีมมาได้ว่านา บ, บีไปทําลายรูปไรนะรูปจะเวีรูปปัน้นทํำลายหมดเลยอนะ่ะถูกจับมาเพียน้อง นบีอิบราฮิมอยากให้ถูกจับด้วยจะได้พูดต่อหน้าคนว่าคุณทําอะไรผิดอละประชุมกันในที่ประชุมว่าจับนบีอิบราฮิมเผากษัตริย์ประกาศนะครับจับอิบราฮิมเผาะจะเผายังไงไปน้องครับหาฟืนมากองไว้เป็นเดือนหาไม้มากองกองกองกองเป็นเดือนไปน้องแล้วก็จุดไฟ จุดก็เป็นเดือนกว่ามันจะร้อนเต็มที่แล้วตอนจะโยนอิบรอฮีมใส่ไฟเนี่ยโยนยังไงอ่ะพะคนเข้าใกล้ไฟไม่ได้อยู่แล้วมันร้อนผู้ชายคนนี้ชื่อเฮซันเนี่ยป็นน้องวางแผนให้เอาเสาสองต้นเสาเอาไวด้ดีดคานดีดนบีอิบรอฮิมลงไปในไฟใช่ไหมเอาเสาวางแล้วก็เอาสายอันบีอิบรา ใ, ใาสา่าสา ย, าสา ย, สยได้นะ สายสายแล้วก็ดีดลงไปโยนเข้าไปในไฟคนที่วางแผนคนนี้เป็นคนเก่งคนหนึ่งแต่อลลอฮ์โกรธเอ็งวางแผนทำลายคนดีเอ็งวางแผนทำลายคนดีพี่น้องจนก่าทั่งเขาทำสำเร็จเนี่ยโยนยิบรอีมใส่ไปในกองไฟสำเร็จอลลอฮ์ให้แผ่นดินสูบคนนี้ ลงไปในดินยังน้อยสองคนในอัลกุรอานอธิบายไว้พี่น้องหนึ่งกอรุณสองเฮซันอย่าไปตั้งชื่อหลักลูกหลานนะชื่อเฮซันอัลลอฮ์นี่เป็นคนนะบีคนที่อัลลอฮ์สูบลงอยู่ในใต้ดินของอัลลอฮ์ยังไม่ถึงก้นบึ้งพี่น้องสองคนนี้จะถึงนะตอนวันกิยามัิพอดีพอวันสิ้นโลกปั๊บ ตอนนี้ถูกสูบนิดนึงนิดนึงเจ็บนะพี่น้องรองโอยอยู่นี่โอ้ยโอ้ยโอยทุกวันทุกวันพี่น้องเพราะฉะราะเองวางแผนทําคารดีดอิบราฮีมลงไปในกองไฟส่วนกอรูนั้นอลัลลอ์ให้ริซกีเยอะเองไม่จ่ายสากาศเองดูถูกน บ, บีมูซาเองทำลายก็ถูกลงโทษจากอาลัลลอฮ์โดยการให้แผ่นดินเนี่ยสูบยังไม่ถึงก้นบึ้งของโลกใบนี้นะครับพี่น้อง เอาใครอยากเป็นแบบกรูนเชิญใครคิดไม่ดีกับกับสาสน า, าของกันแล้เชิญเอาล่ะให้เห็นแค่สองคนเป็นกรณีตัวอย่างพออย่างพอแล้วจีน้องสองคนพอแล้วคนละยุคคนละสมยัยอัลฮัมดุลิลัยจีน้องพอแล้วอามอามินตุมมาฟิซมาสูเจ้าคิดว่า ผู้ท่านจะปลอดภัยกันนั้นหรือที่พระองค์ทรงสถิตณาชาันฟ้านี่สองสองเรื่องแล้วนะเรื่องที่สามอยักษิฟะบิคุมูลอารดที่จะสูบลง เ, เพราะสูบง่ายดีนะที่จะสูบให้แผ่นดินสูบลงไปในดินอนะฟาอิราฮิยะตอรมแล้วเมื่อนั้นจงดูมันเริ่มมันเริ่มไห เรื่องกลัวแล้วไปน้องนี่เหตุขึ้นที่ในปา น, นี่ไปน้องครับหลายคนกลัวกับเนื้อกับตัวมหาอลัลลอฮ์มีไหมมีครับโดยเฉพาะผมผมคนหนึ่งนะไปน้องผมเรื่องกลัวแล้วกลัวแผ่นดินไหวทีนี้ถ้าเรากลัวว่ากรทมอาจจะมีแผ่นดินไหวแบบแบบแบบในปานเราอาจจะตายในแผ่นดินไหวก็ได้ไปน้องแต่ต้องตายแบบนี้ ตบบาบ้ตัวซะตา บ, บ้าตัวอัสตัลฟิลอลฉันขออภัยโทษต่ออัลลอ์ในความผิดแล้วก็นมาต์พี่น้องทิ้งนามาต์มาวันนี้เริ่มนมาต์ได้พี่น้องฉันนามาต์แต่วันนี้แล้วไม่เอาแล้วใช้ชีวิตตามใจชอบมานานแล้วพอ ท, พอทีด่าพ่อด่าแม่มาหยุดไปขอมาอัเกั บังเอิญเรานั่งรถไปจะไปขอาอาบเกิดแผ่นดินไหวอโลอกับอภัยโทษเพราะเราเหนียดดีแล้วจะไปขออภัยโทษกับมะของเรากับแม่เราที่เราพูดคําว่าหูตวาท่านเมื่อหลายเดือนมาแล้วเคยวางแผนว่าจะเอามะไปอยู่ที่บ้านพักคนชราเปลี่ยนละเปลี่ยนเลี้ยงเองดีกว่าหวังรางวัลตอบแทนจากเอาก็าเคยให้เดือนละห้าร้อยให้ห้าพัน ไปเลยมาผ่นเอาไปเลยไปน้องเปลี่ยนคิดมาคิดหม่คิดทางดีๆที่เอารอพอใจใพี่น้องพี่น้องครับเอารอเรื่องที่จะต้องแก้ไขในสังคมเรามีเยอะไหมเยอะมากครับพี่น้องเอาต่อมาอายาที่สิบเจ็เอารอเนี่เรื่องตำมูดอย่างอธิบายมันหมดลเลยอามขอ้ขอข้อสิเจ็ดพี่น้องครับอัมอามินตุม มั่ ي ฟิส م ์สแม่ไอยุศิลัยคุมฮาซีบาฟัสตั ف งเล่ามูนักไก่ฟานดีร์อัมอามินตุมมั่ว ي ิสส์สแม่ไอยุศิลัยคุมฮาบาสตลมูนไกฟนดี อัมอะเมนตุม um. หรือสูเจ้าคิดว่าปลอดภยัยอลัลลอฮ์สั่งอาญาพี่น้องพูดมือนกันนี่เน้นคนอ่านคุรอานพี่น้องยิ่งอ่านก่อนนอนน่ะดีไหมดีอ่านก่อนนอนดีมากๆากเลยพี่น้องเรารู้ความหมายด้วยอัมอะเมนตุ่ม um. ท่านทั้งหลายคิดว่าคุณเนี่ยปลอดภัยหรึ่ถ้ามันนึกได้ตอนนอนน่ะดีพี่น้องครับตอนตอนใกล้จะนอนนะ่ะ งั้นคืนนี้ฉันขอนอนตามสุนทรนาบีดีกว่าอา้าวนอนตามสุนทรนาบีทำไงแปลงฟันก่อนตะปะทำไงนะอาบน้าน้ำอาบก่อนแล้วก็ไปตะปัดที่นอนก่อนแล้วก็ดึงที่นอนให้ย่นก่อนอ่ะยึงให้ตึงก่อนตึงให้ตึงพี่น้องแล้วก็ยกมือขึ้นปาโบก่อนแล้วก็อ่านสามกุนทำตามนาบีพี่น้อง เมียภรรยานาบีก็ทําแบบนี้ลูกสาวนาบีทําแบบนี้สอบ้านนบีทําแบบนี้กันทุกคนใครแต่ใครเตยบงเตยมามเขาทากันแบบนี้หมดไปน้องเราก็ทําแบบนี้แหละไปน้องแล้วก็อ่านอญญายะคุสีอัลลอฮุเลอีลาอิลลัฮุวาลฮยูลกอญุมไปน้องพอเราอ่านจบแล้วไปน้องอ่านตะบารอกันดีด้วยอัลลอฮ์ไปน้องทนรอไปสักครึ่งชั่วโมงอ่านอญญายะคุสีไปน้อง แล้วก็เอามือจับมือขวาจับแก้มขวาแล้วก็นอนตะแคงขวาอย่าเพิ่งเอามือออกไปนอนนอนสักห้านาทีแล้วก็สุภานวลลอร์ยนะสุพนวลลอสุภาน ล, สน ล, สนลอสามถึงสาครั้งอ่านคำจนเรียแล้วอีกสามถึงาครั้งอ่าลอร์กบัดอีกสามถึงสามครั้งอลานร้อยพี่น้องท่านนี้แหละสักห้านาทีสิบนาทีปล่อยให้แฟงอยู่กูเดียวก่นกอนหนาทีหนาทีจอร์รอ น, นรอนน่ะรอยอ่ะใช่ไหม ได้เป่าได้อายุแกแล้วหลอดแม่แช่นหน้าหน่อยไปนอ้องผมเคยเห็นอุลมะท่านหนึ่งไปน อ, ก น, อนกลางวันน่ะเขานอนท่านี้เหมือนกันน่ะเนี่ยเอามือขวาจับแก้มขวานอนท่านี้ผมก็มองดูอาจารย์ผมในะอินเดียอย่ไปนอ้องหล่อนอนท่านนี้เรานะ่ะหลอนอนผึ่งไปนอ้องมาเรียนนึกถึงสุ น, นัานท์นบีเลย ถ้าเราปฏิบัติตามสุนนะนบีก่อนอนและปฏิบัติตามนาบีทุกอย่างดตัาอ่านเหมือนนบีถ้าแผ่นดินไหวตายคืนนั่นไปสวรรค์ไหมไปได้ไม่ไปเพราะเราทําตามนาบีมุฮัมมัดแล้วอ่อัลลอฮ์พี่น้องครับหันมาใช้สุนนะนบีพี่น้องและสุนนะนบีพี่น้องครับอัลลอฮ์พอใจหมดเลยนะ เอาล้อพอใจไปน้องของที่นบีทําแต่ละเรื่องละเรื่องเนี่ยเอาล้อลพอใจหมดเลยไปน้องถางว่านาบีคิดเองหรือนบีอัลลอฮ์ส่งยิบรีนมาเป็นดีเรกเตอร์ทําส่งยิบรีนมาสอนทําแบบนี้นะมุฮัมมัดนะทําแบบนี้แบบนี้ดื่มน้ากับมังรเป็น้องมองดวงดาวมสาธิตในดูงเป็นพลังหิวบางที่ <c oughs> <c oughs> น้องบิสมิลลาห์ดื่มทีล่ละอึก สุนัขนบีครับถ้าเดินครั้งเดียวหมดแก้วแพะไม่ใช่ค้นอ่าเพราะว่าแพ้ไปน้องงงแพะจริงเหรอก็ผมเลี้ยงวัวเลี้ยงควายที่บ้านผมอะผมเป็นคนชาวนานะ่ะผมก็มีแพะเคยเลี้ยงแพ้ไปน้องแพะมื่อไห่เวลามันเอาหัวมันจุ่มลงไปกินน้ำมาถ้าไม่หมดกระป๋องมันไม่เงยนะมันกินหมดเลยไปน้องแล้วเราทำทั้งนั้นได้ไหมไม่ได้ เราต้องมองวัานาบีมูฮัมหมัดทำยังไงยืนชีแพะวัวเห็นนะมันยืนชีมากแต่วัวมันยังย่อยอดนะตัวเมียนะแต่ตัวผู้นี่ไม่ย่อเลยนะอาจจะเป็นวัวก็เชิญจะชีตามัวเชิญเลยยกเว้นคนที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตอันนี้ยกเว้นไม่มีปัญหาเราให้สัตว์มาพี่น้องเราอยู่แบบสัตว์กันเยอะวันนี้ สัตว์เวลามันจะมันจะอะไรผสมพัน์มันดีกล้าเปล่ามันพามาสซล่าเปลามันพ า, าหาตัวอีหมามไหมไม่พาครับมันเจอกนกลางนานเอากลางนานเลยเราเอาไปงั้นเหรอท่นานนึกเยอะๆเฮ้ยจะเป็นไก่หรือจะเป็นเป็ดหรือจะเป็นอะไรกันแน่นึกถึงซุนนะนะบีครับพี่น้อง พวกฝรั่งมันต้องการจะให้พวกเราเนี่ยทำเหมือนแอนิเมเลยเหมือนสัตว์เลยไปน้องแต่ว่านบิบบุษฎอัลลอฮ์สุ่มมาทำตามนบีมุฮัมมัดคนเดียวและคุณจะได้รับรางวัลตอบแทนจากอัลลอ์มีรางวัลอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์มอบให้ไปน้องอมามินตุมฟิสซมาพวกท่านคิดว่าคุณจะปลอดภัยกันนั้นหรือผู้ที่ พระองค์ผู้ทรงสถิตณชนันฝานี่พูดสองอายะเหมือนกันย้ำไปย้ำมาพี่น้องคำว่าย้ำย้ำย้ำเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้เราเข้าใจง่ายๆอ่ะเวลาพ่อจะเตือนลูกอ่ะลูกนะเก็บตังค์ให้ดีนะผู้สายเที่ยวแสดงพ่อเป็นห่วงใช่เลย ไ, ไม่ใช่นี่ยอลลอ็เป็นห่วงคนคุณคิดว่าคุณปลอดภัยกันนั้นหรือคุณคิดว่าคุณปลอดภัยกันนั้นหรือ อยุซิลาอาไลกุมฮาซีบายุซิลาแปลว่าหอบหอบเอามาส่งมาอาไลกุมการนำสู่เจ้าหรือบนสู่เจ้าฮาซิบาแปลว่าลมต้องการจะอธิบายว่าอาซาบของอัลลอฮ์เนี่ยการลงโทษของอัลลอฮ์มาได้หลายทางทางที่หนึ่งอายะกร น, นี้แผ่นดินสูบใช่หรือไม่ใช่ ที่ในปานเกิดแล้วเห็นชัดๆครับเรื่องที่สองครับสึนามิเมื่อสิบปีที่แล้วเกิดที่ไหนอาเจะที่กุงเมืองไทยก็ถูกด้วยเป็นน้ำทะเลให้ไหมพี่น้องอาย่านี้ต้องการจะบอกว่าลมพายุแรงๆก็เป็นอาสาบได้เหมือนกันต้องนึกครับนบีมุฮัมมัดสอนอย่างงี้พยาเล่าเองถ้าหญิงอาชาเล่าบอกว่า ฉันเห็นนบีเนี่ยเวลาเวลาอะไรนะเวลาลมจะมาหรือว่าฝนจะมาเนี่ยมือเดี๋ยวนบีนะ่หน้าทอสีเลยนะเดินเข้ามัสยิดแล้วก็เดินออกเดินเข้าเดินออกพระยาเห็นทรงสงสารเลยนะก็ว่านบีทำไมต้องเป็นทุกข์ถึงข น, นาดนี้หน้าตาไม่ค่อยสมไม่ค่อยดีนบีก็พูดว่าฉันกลัว ลมพายุแรงๆที่อัลลอ์ส่งมาทำลายพวกอาจสมูตก่อนหน้านาบีฮะมัดนะเป็นพันๆปีที่ผ่านมานั้นคนเหล่านั้นถูกทำลายด้วยลมพายุบางกลุ่มถูกทำลายด้วยไฟร้อนๆนึกว่าเป็นเป็นอะไรนะเป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นฝนฝนคนเมฆมากพี่น้องครับนึกว่าฝนอัลลอฮ์ลองดีใจกันหมดเลยทุกคนแฮปปี้ฉันจะได้ฝนแล้วที่ไหนได้พอเริ่มตก เป็นไฟครับพี่น้องตายหมดเลยนี่อัลลอฮ์เตือนทางอภัยคุณอานอะเมนตุมคุณคิดว่าคุณปลอดภัยกันนั้นหรือที่คุณทรยศ ต, ต่ออัลลอฮ์อยู่วะเนี่ยนมาดก็ไม่เอ้าศาสนาก็ไม่เอ้าบาปก็ทำพี่น้องทําสารพัดทําใจชอบหมดเลยพี่น้องคุณจะปลอดภัยกันนั้นหรืออยุซีย ล, ล่าไลกุมหาซิบ้าที่อัลลอฮ์จะหอบลมพายุแรงแรงมากระหน่าพวกคุณะคุณปลอดภัยกันนั้นเลย พี่น้องคับเนี่ยเอา ล, ล่อเตือนทางการพี่กุนอ่านครับพี่น้องทีา น, นอ่านกุนอ่านสุระอนนี่ก่อนนอนดีไหมดีครับอ่านทุกคืนทุกคืนทุกคืนทุกคืนมันได้นึกอ่ะเราทําบาปอะไรบ้างพี่น้องพอเราทําทบาปเยอะว่างี้อัสตัลฟิรุลลอมีมุสลิมมาโทรศัพท์าพมาหาเขาถามว่าหนูเนี่ยด่าสามีไว้เยอะแล้วพูดทางไงอ่ะ เดี๋ยวนี้สำนึกผิดแล้วจะให้หนูทำไงผมก็อ่านทัดิสพบประดี๋ยวไปน้องก็รอขอบคุณนะล้อนะพออ่านภาคนั้นก็นมีคนโทรศัพท์มาถามถ้าหากว่าดาสามีตำหนิสามีพูดอะไรสามีในทางลบๆไปน้องพูดให้คนอื่นรู้ด้วยนะโทรศัพท์ไปแจ้งเพื่อนอยู่เชียงใหม่ลำปางแจ้งหมดเลยปัตตนยาลาเนราธิวาแจ้งหมดส่งเฟบุไลน์ด้วยไปน้อง นบีบอกให้ทำสองข้อถ้าภรรยาเนี่ยทรยศต่อสามีให้ทําความดีลบล้างกี่ข้อนะสองข้อด่าไว้ห้าปีด่าติดต่อกันมาห้าปีทำสองข้อเลยลบล้างหมดเลยอะ่ะดีได้ไมด่ดีพี่น้องมุสลิมามาคงคงคงไม่อยากฟังใช่ไหมทำไมต้องเล่าดีไหมเล่าได้ไหมเล่าสองข้อนี่เล่าไหม ล่าวนะเอาแน่นะเอาหรือไม่เอาถามจริงๆเอานะข้อที่หนึ่งให้กล่าวว่าอย่างนี้อัสตักฟิรุลลอห์ง่ายไหมยนาลองว่าสิอัสตักฟิรุลลอห์ฉันขออภัยอโทษต่ออัลลอฮ์แต่ต้องนึกนะดาบสามีมาห้าปีกล่าวอัสตักฟิรุลลอห์ครั้งเดียวพอไหมพอไหม คิดเองพอได้ไหมพอไม่น่าจะพอนะมันต้องกาวกี่วันด่ามาห้าปีนทากี่วันอัลลอเป็นน้องมันต้องกาวเยอะๆนึกอัสตัชันน่น่าด่าก็เลยอัลลออัสตัฟิรุลลอเป็นน้องร้องไห้ด้วยก็ได้อัสตัฟิรุลลอฺนึกต้องนึกอัสตัฟิรุลลออัสตัฟิรุลลออัสตัฟิรุลลอข้อที่สองบริจาค บริจาคสดก็เท่าสดก็เวลาบริจาคเนี่ยอย่านับเวลามือล่วงกระเป๋านี่นะเอาออกมานับแสดงว่าใจไม่ถึงถ้านับให้อลลก็ น, นับนับให้เหมือนกันอลัลลมองเราเองให้ให้แบบใจถึงก็แม้ถ้าให้แบบไม่นับออกไปเลยปับ๊บห้าพันกับอีกคนหนึ่ง 200ตั้งมีตั้งหมื่นสองหมื่นนะกระเป๋านับให้สองรอยพี่น้องเศษเศษนั่นน่ะอลัลลอฮฺก็นับให้เศษเศษเอาไปสองรอเหมือนกันรามัดเอาไปให้ไปสองรนับก่อนมาเลยก็ให้มันได้น้อยพอะว่ามันนับให้อะ่ะมันอยู่ข้างล่างมันนับให้อะ่ะเวลาอาลัลลอฮฺจะตอบแทนก็นับให้ไปแต่อีคนที่บริจาคแบบไม่นับอลัลลอฮฺก็ให้แบบไม่นับเอาไปเลยพน้องเอาไงจะเอาแบบนับหรือไม่นับ นับไหมถ้ามีน้อยก็ได้น้อยอยู่ข้งบน <c ười> คืออัลลอฮฺไม่ต้องการว่าน้อยหรือมากแต่ว่าใจถึงหรือไม่ถึงอยู่ที่ใจอะ่ะบางคนเงินมีเล็กน้อยแต่ใจมันถึงอะ่ะมีอยู่ร้อยหนึงเอาไปเลยเก้าสิบหลือสิบบาทเดินกลับมันใจถึงมันมีไหมมีมันอยู่ที่ใจใจเราอะ่ะทําเพื่ออัลลอฮฺหรือเปล่าพี่น้องพี่น้องตัวรู้ว่า ภรรยาที่เล่นสามีไว้หนักมีวิธีออกไหมมีทำไงนะทำกี่ข้อสองข้ออะไรบ้างอัสตัคฟิรุลลอออัสตัคฟิรุลลอกรับบริจาคอรอพี่น้องบริจากกนเงินสามีนั่นแหละจะก็ให้เราเลยพี่น้องสามีให้เดือนละหมื่นอ้อรอเก็บนู้นเก็บนี่เหลือไว้สามพัน บริจาคเราได้ด้วยเราหมดบาปด้วยสามีแต่ผ ล, ลบุญอีกพี่น้องดีไหมดีมากเลาำด้วยเล่เล่พี่น้องทั้งหลายพี่น้องอครับอ่านครูอ่านอนยา น, นีอัมอ um ามินตุมมามฟิสซามะอิอายุศิลาอะไรคุมฮาซิบาฮาซิปวันลมพายุอัลลอฮจะหอบลมพายุมากระ น, นำคุณเมื่อไรก็ได้คุณปลอดภัยกันนั่นเลยพี่น้อง เราอยู่ด้วยความกลัวในวันนี้นะแต่หลายคนชูคอฉันไม่กลัวฉันไม่กลัวฉันอยู่มาห้าสิบปีแล้วอายุไม่เห็นมีเลยอุงอาสาพี่น้องในปานแปดสิบปีนะแผ่นดินไหวครั้งสุดท้ายมก่อนหน้านี่แปดสิบปีแล้วมาเจอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วห่างกันแ0ดสิปีอายุคนพอดีพี่น้องแล้วคนที่ตายก่อนแปดสิบไม่เจอนี่ก็ฉันปลอดภัยที่ไหนได้ ถ้าอ่านกรอ่านจะรู้โอ้พี่น้องครับทะเลขอร้องอัลลอฮ์ทุกวันให้ฉันเป็นซูนามิยัง mm hmm. อัลลอฮ์อย่าอย่ารอไปก่อนรอก่อนให้มันตาบาตัวก่อนพี่น้อง mm hmm. แผ่นดินก็ขอร้องอ AH ัลลอฮ์ฉันฟ้าก็ขอร้องอัลลอฮ์ขอร้อง AH อัลลอฮ์ AH กันหมดอยากจะทําลายคนติดทรยศต่ตออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาขอร้องกันหมดพี่น้องแต่อัลลอฮ์เบรกเอาไว้ อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรอก่อนรอก่อนรอก่อนรอก่อ น, ออ น, พ, นอพี่น้องหันมาหาศาสนาอัลลอฮ์พี่น้องมหาศาสนาเขได้แล้วพี่น้องอายุเยอะแล้วห้าสิบหสิบแล้วพี่น้องพอแล้วเรื่องบาปบที่ทํามาพอทีพี่น้องหันมาอยู่ศาสนาของอัลลอฮ์แล้วก็เนี่ยก็ให้พวกถึงสิบเอโมงเนอาจารย์มนนีบอกต้องลงสิบเอ็โมงนะ <laughs> ผมก็จะลงเลยหละแต่ก่อนจะลงพีนง่น้องนมาดุฮานมาฎูฮาพี่น้าานองอัลลอฮ์ผมอ่านทัดดิสมาเช้านี่พี่น้องอัลลอฮ์อัคบาดีมากครับหนังสือตัฟซิดอิบนุกะซิดอธิบายอย่างนี้นะครับอิบนะอาดัมเนี่ยน บ, บีสอนนะลูกหลานของอาดัมเอ๋ออิรกะจงอะไรรูควะอิริ ก, ก, รกะ ลูกหลานของอาดามเออยจงรู้กว่าเท่าไรอรบะ อ, อารกาอัดินสี่อรกอัดให้นามาสี อ, อารกะอัดทำทีละสองละสองละสองมินอวลินนะฮตั้งแต่เริ่มของวันใหม่เริ่มวันใหม่ก็มาสักเจ็ดโมงหลังจัตะวันขึ้นแล้วมันนะเจ็ดโมงแปดโมงของวันใหม่ทุกวันแหละพี่น้อง อัคฟิกะอาคิรูหูอัลลอฮ์จะให้ความพอเพียงเกิดขึ้นในกิจการงานของท่านตลอดทั้งวันเลยต้องว่าตอนเช้าๆนี่ไปน้องอย่านอนนะอ่านกูรานอ่านสุรานี่แหละตาบารักัลละดีบิยาดิฮิลมูลกอ่านไปน้องสามเที่ยวสีเที่ยวก็ได้ไปน้องแล้วก็สุบฮานุลลอฮิลลีวะบิฮัมดิฮีนึกถึงอัลล์ แล้วก็ก่อนที่จะลุกขึ้นไปทํางานอื่นพอสักเจ็ดโมงเจ็ดโมงสิบห้าเจ็ดบุญครึ่งพี่น้องครับก็มานามาตสองเราก็อาดถึงสี่เราก็อาจเรียกว่านามาตอะไรนะนามาตดูฮาดีไหมดีครับทำอยู่เรื่อยๆพี่น้องถ้าแผ่นดินไหวกําลังนามาตยอยู่เป็นไงครับตายดีไหมโอ้นโลพี่น้องตายดีหนึ่งตายในท่านามาต สองตายในท่าคลองชุดเอารอมแต่มักกะอัลลอฮ์คุม้มครองนะไม่ให้มีแผ่นดินไหวนะอัลละฮ์คุม้มครองอยู่นะนี่ยกทมเนี่ยอัลลอฮ์คุม้มครองอยู่เพราะยังมีคนดีอยู่ในกทมพี่น้องยังมีเสียงอาจารย์อยู่ในกทมอัลอลอฮ์ยังคุม้มครองอยู่ถ้าไม่มีเสียงอัลลอฮ์มาได้ระวังระวังระวังระวังตึกสูงๆนะั่นนะ่ะยุบลงมานะ่ะตายเป็นพันนะ่ะเป็นองค์การดังนั้นนามาอะไรนะดุฮะกีรอกะต สี่ทำทีละสองนะขี้เกียจก็ทำสองพี่น้องขี้เกียจทำเท่าไหร่สองพอฉันขี้เกียจยอะอลลอฮฺเดี๋ยวผู้นี้ตดเชยทำสีความจริงดูฮานมันได้ถึงเท่าไหร่ได้ถึง8เอางี้พี่น้อง ท, ทําทีละสองตอนเจ็ดโมงเมงอีกสองสิบอมงอีกสองสิบเอ็มงคึ่งอีกสองเป็นแปแล้วก็อย่าลืมนะอัลตัฟวิฟรุลลอรลดบาปที่ไปทําอะไรนะ <laughs> <laughs> Subhanaallahumma wa bihamdi kasyolailah ilah anta astagfirka wa tu builaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini akan terang tah. Dan akan kapan? Kapan? Jadi yang perincian fasal. Fahsalaan. Cepatkan. Khab. Ahlian topik. Puan. Reina. Fahsalaan. Maksudnya a p มีพี่น้องฝากสลามมาครับมาให้กับคนที่บ้านแต่คนที่มาจะรับยังไงใช่ไหมจ๊ะใช่ใช่ใช่ใชอ่าอัสลมุอลัยฮุรรร่าห์มานุลรอฮัมพี่น้องเราพบกันในสังคมในพี่น้องก็มีการฝากสลามกันฝากสลามเนี่ยเป็นของดีเพราะว่าท่านยิบรีนเนี่ยเคยฝากสลามกับท่านนาบีไป ไปถึงภรรยาของท่านนะท่านหญิงขรรยาด้วยหญิงไอาชาด้วยบอกว่าท่านยิบรีเนี่ยฝากสลามมาปัญหามีอยู่ว่าเวลามีคนเขาฝากสลามมาเราจะรับยังไง ร, รับยังไงถ้าให้กันตอนหน้าสลามมาเลยคุมบาห์วาไกุมุสซาลาบรหม์ตุลลอห์วะบารอกาทุถ้าอีกคนหนึ่งฝากมาเนี่ย ให้รับอย่างนี้อะไรกะอะไรกะถ้าเป็นผู้ชายที่มาบอกเรานะราว่าอะไรกะขอความสันติจงประสบแด่ท่านว่าอะไรฮิสซลามอะไรฮิสซลามและความสันติจงประสบกับคนที่ฝากด้วยก็ชื่อโมฮัมหมัดอ่ะสันติให้กับโมฮัมหมัดด้วยนะครับทุลุ่งการฝากสลามนะดีไหมดีพอราคิดถึงขาญิบรีนฝากสลาม ให้ถึงพระญานาบีผ่านท่านนาบีเองนบีก็เล่าบอกเนี่ยยิบรีนมาบริกีสลามถึงถึงเธอด้วยอัลลอฮฺยิบรีนฝากสลามถึงพระญานาบีนั่มชาวสวรรค์อยู่แล้วพี่น้องพวกเราเนี่ยอัลลอฮฺเอาว่าสุสรุปคือนะเวลาคนฝากสลามมาให้ทราบว่าไงนะอะไรก่ถ้าเป็นผู้หญิงอะไรกีว่าอะไรฮัสซัลามถ้าเป็นผู้ชายอะไรฮิซัลาม ต้องเรียนวยากรณ์เล็กน้อยนะอะไรฮี่แต่ผู้ชายอ ะ, านะอะไรห้านะอะไรฮัสสลามแตงคหญิงนะครับต้องต้องมาทุกเดือนท <c oughs> ไมมาทุกเดือนไม่อยู่คำนมดเดียวต้องคนที่มานี่คนที่มานี่ที่เป็นการยีห้าไม่ Allah, ได้ครับอร่อยเป็นองค์การการยีห้าหมายถึงการเสียสละ เอาเวลามาเรียนศาสนาหาความรู้เรียนเรื่องอีมานเรียนเรื่องอัลลอฮ์อัลลอฮ์อยู่ที่ไหนเรียนเรื่องศาสนาของอัลลอฮ์เรียนเรื่องคำพีของอัลลอฮ์เรียนเรื่องสุนนะของนบีมัทธเป็นการจิฮัด ท, ทั้งหมดเลยแล้วก็แต่าหากว่าตายในะขณะเรียนก็ไปสวรรค์เตรียมตัวไปสวรรค์เลยนะครับอ่านี่จํ า, าไม่ดีจาย ก, กี่ไม่รู้ไปสวรรคก็ต้องเป็ในใครไม่มาบอกคำพีนนะครับนี่ มามาวันนี้ก็เยีฮารดตุ้กันไม่ใช่อาจารย์เลิกฟลาอาจารย์เลิกซีเลิกฟูเยี่ยมฮาร์ดอย่างเดียวแต่ต้องเนี่ยมาเพื่อลอสวาตาลาด้วยได้ไจ่าครับครับต้องมี่มาเพื่ อ, อลอทำเพื่ อ, อลอท <มา S 1> ออั้งหมดไม่ใช่นเนีา่ยมากินข้าวมันแทนต้องมาตุกันทุกเย็นน ะ, อ, ะอันนี้ก็เป็นการเยียฮารอันนี้เป็นสิ่งทีท่เราทำนะเด้๋ยวก็ถามที่ถามเพื่อครับ มีถามไปแลวี่าวยการทาตามแบบอย่างนบีที่บีบอกว่ทาทําะไรทตามแบบอย่างนบีที่ํามรอยชนั้นเป็นผลงานไม่ทวอยู่อาซลอามเป็นผลงานรอเปบิสมิลารราะห์มารราะฮมพี่น้องครับงานที่ทาตามนบีทุกทุกงานเ้าเรียกว่าอัลฮัซนูอามลาเป็นงานที่ดีที่สุด สังเกต น, นะในคัมภีร์กุรอานไม่ได้พูดว่าอักซะรุอามละลาใครทํามากไม่ใช่ทําดีที่สุดกับทํามากไม่เหมือนกันนะทําดีหมายถึงทําที่ตรงกับท่านนาบีได้สอนทําด้วยความบริสุทธิ์ใจหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺพี่น้องนั่นแหละเขาเรียกว่าทําดีทําให้เหมือนกับนบีเช่นนบีสอนว่าซอนลู ก, กะมะรอไอตูมูนี้อุซอลลีท่านทั้งหลายจงเรียน วิธีการนมาศอย่างที่ท่านเห็นฉันนมาตยังไงไปเรียนมาให้เหมือนกับนบีนี่เป็นการจิฮัดทั้งหมดอันวามาแล้วเป็นงานที่ดีที่สุดนะการเสียเวลามานั่งฟังศาสนาได้ความรู้ไหมได้ความรู้เสียสตางด้วยเสียมานั่งรถมาก็เสียขับรถมาก็เสียน้ำมันด้วยอะไรด้วยแต่ว่ารางวัลในการ จิฮดาดครั้งนี้มีรางวัลตอบแทนจากเราถ้าเห็นนะโอ้ยมากันเต็มมาอยู่มันนี่ไม่จูกตกรือรือแบบมาตงรื อ, รอเลยเ น, เ น, งง น, นะครับผมใี้เป็นเป็นงานรับตอนนี้แล้วก็เี้าการบอกตองแดคบอว่าที่นล่า่ว่าชูบานริเรียมดีชูบานารเรียมีครับอย่างไรร้อยห้าเวลานนะ เราชาวเราาเร า, า, เร า, าีรรไหวไหวเบาวหาเวลาไหวเบาเป็นผลงานแน่นอนครับผลงานนาบีสอ น, น่งี้เช้าร้อยหนึ่งเย็นร้อยหนึ่งโอถ้าว่าวันหนึ่งห้าร้อยจะดีไหมมีเวลาให้อัลลอฮ์เบาแต่มีเวลาให้ดูละคร น, นะพี่น้องมีเวลาให้อัลลอฮ์เยอะๆไปนะดีมากให้อัลลอฮ์ไว้เลยนึกถึงอัลลอ์นบีสอนอย่างนี้ใครที่กล่าวคานี้นะครับร้อยครั้ง อัลลอฮ์ให้ได้รู้มหนักตาช่างเบาลิ้นแล้วก็เป็นที่รักยิ่งของอัลลอ์นี่เป็นผลงานอัสนุอาะมลาเป็นงานที่ดีที่สุดนะครับสรุด ว, ว่าทุกคนก็รักอัลลอร์ร่งเราสูงราตวเราที่จะตายใช่มแล้วก็ขูใช่ใชครับครับใช่ครับอันนี้ข้อสุดท้ายนะเรมาช่วนั้นว่าเริ่มในแปดเก้นาโมงในวันกัน คือเป็นงี้ครับมันมีเขาเรียกว่าสุนนัขหลังจากตะวันขึ้นแล้วนะเธภาษาอุรดูเรียกว่าอิชรอกนะอิชรอไปว่าตะวันขึ้นนี่นะครับตะวันขึ้นได้ประมาณสักกี่นาทีน่ะยีนาทีสิบห้านาทีนะเริ่มนมาได้แล้วนะครับฉะนั้นอิชรอกเนี่ยตั้งแต่ตะวันขึ้นได้ประมาณสักยี่บนาทีก็นมาอิชรอกได้เรียกว่านมาดุฮาในเวลาอิชรอกนะแล้วก็ เจ็ดโมงเจ็ดมงครึ่งสองหลักอาดาศสี่หลากอากาไปเก้าโมงอีกสองหลากอากาไหวไหมไหวตอนสิบเอดโมงอีกสองหลากอากาได้เป็นแปดหลักอาดาอัลลอฮุดีไหมดีอัลฮานุอามัลาะนี่แหละเป็นงานที่ดีที่สุดนะครับเออขอให้หลังจูบรีไอ้ก่อนก่อนก่อนก่อนซูรีอย่าไปหลังจูรีนะหลังเที่ยงไม่ได้ก่อนนมาจูห์เนี่ยได้นะครับ มีกฎเกณงมีเวลาต้องรู้น่มีเกณฑมีเวลาศาสนาดีต้องต้องรู้จักทํว่าบทเกณฑและเวลาด้วยถ้าเราไม่รู้กเกณฑไม่้เวลาเราก็จะทำปีๆตู่ๆอะไรอย่างนี้ท่านนิพพานละมาสุนนะเราค่าที่อ่านสุร่ายอะไรย่างนนมาดุฮาตุฮาก็นี่ถ้าไม่จำไม่เลยจากุลยาก็อ่านกุลยาไปแต่กบบทอ่า คนวันลรอบทที่สองจำได้แค่นี้ก็ว่าแค่นี้โอ้ถ้าจํำสุรรอดอื่นด้วยก็ว่าไปสุรรอดไหนก็ได้ที่เราท่องจำํำไปน้องนะ<ม>อย่าไปอ่านเมื่ต้องเปิดหนังสือดูไปน้อง<ม>เปิดหนังสือดูอย่าไปทําเลยไปน้องใจก็กังวล<ม>อ่านถูกหรือเปล่าเนี่ยอะไรทั้งที่เอาล่อไปน้องอาจ้ากไปไป็ไม่ใคยกูช่วยฉะนั้นอ่านบทที่เราท่องจําดีกว่าที่สายตานมองตรงไหน ถ้าหากว่าท่ายืนให้มองในที่สุยูดเวลารูกรักว่ามองที่ปลายเท้านั่งอัตหยาตามองที่ปลายนิ้วถ้าสายตาเราจ้องในสามที่นี่นะใจจะนิ่งสงบถ้าตาอย่างนี้อย่างนี้แลใจก็ต า, ตามตามตาด้วยไปท้องไงไม่สงบฉะนั้นตาที่สําคัญถ้าจะขะมองเ่ยคนเจ้าชู้เนี่ยตามหลอกแหลกหลอกแหลกหลอกแหลกไปท้อง ตาลอกแลกดีหรือว่าตานิ่งนิ่งดีนิ่งดีกว่าพี่น้องนะเอาไว้นอกนะมาเอาว่าเจ้าชูกัแล้วกันนะตอนนี้ก็นี่ำถามมีอีกข้อหนึ่งนี่อาจารย์ยาซีมตอบอาจารย์ยาซีมตอบอาจารย์ยาซีมตอบนครับเอกสารตรงนี้นะครับผมไปก่อนนะรัลลอฮุมะบิฮัมกสะลาอิละอิลอันตะอัสตัฟุรุกะวะตูบิลัยกุสซัลลัมอะลัยกุมบาระมัตุลลอฮฺบะบารอกะต อัลก ال <t> ุรอานอัลฮ <t> ุมร а л ามอัลฮุม сал ามอัลฮุม сал ามอัลฮุม сал ามอัลฮุม сал าอัลฮุม сал ามอัลฮม с а ามอัลฮุมห а л ามอัลฮุม сал ามอัลฮุม сал ามอัลฮุม сал ามอัลฮม сал ามอัลฮุม сал ามอัลฮุม сал ามอัลม сал ามอัลฮุม сал ามอัลฮุม сал ามอัลฮุม сал ามอันฮุม сал ามอัลฮุม с а ามอัลฮุม сал ามอัลฮุม сал ามอัลฮุม сал ามอัลออัุมามอามาม ครับก่อนที่จะเข้าฮะดิษนะครับมีคําถามที่ยังคงตกค้างอยู่นะครับครับสตรีที่มีระ ด, ดูสามารถที่จะอ่า น, นละหมาดขอด้อนวอนได้หรือไม่โดยที่ไม่ได้ละหมาดนะครั บ, ค ร, บครับในเรื่องเนี้ยในการอ่า น, นละหมาดแน่นอนฮะส่วนห้ให้เราอ่า น, นละหมาดไม่ว่าจะเป็ น, นมีระ ด, ดูหรือปกติจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายอยู่สถานการณ์ใดก็ตามการที่เรารักษาละหมาดได้เนี่ยฮะ เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่มีคุณค่านั่นคือสุนัตนะครับนั้นได้นะครับแล้วก็ ส, งส่งเสริมได้ซ้ําไปสําหรับสตรีที่มีฤดูตอนี้ประเด็นต่อมาคือขอด้อาอนในการขอด้อาอนนะครับไม่มีเงื่อนไขนะครับอ้อนอนนี่เปิดกว้างเลยนั้นทั้งยามเดินทางอยู่กับบ้านในขณะที่ตัวเคลื่องในขณะที่ตัวเปื้อนดังนั้นการขอด้อาอนนั้นเปิดอยู่ตลอดเวลาเลยดังนั้นขอด้อาอนได้ครับขอด้อาอนได้ ดูอาแล้วกบางครั้งเนี่ยดูอาถ้าเป็นอาอนยอะคุรอ่านเช่นอายะคุรซีนะเป็นเป็นกุรอ่านเราก็เนียดเนียคือตั้งเจตนาว่าสิ่งที่เราอ่านาขอเป็นดูอาเป็นดูอานะครับก็อ่านได้คือเป็นการขอดูอาโดยอาศัยอายะคุรซีหรือฟาติฮะนะฮะหรือกุณอาอูซุบุรับบุลฟะลักคุณออูซุบุรบบินนาส ที่เราขอความคุ้มครองจากยินจากชายตอนอ่านในตอนเช้าอ่านในตอนเย็นโดยที่เราเนียดเนีย่ยดคือตั้งเจตนาว่าเป็นการขอ د ع อาขอความคุ้มครองกับอัลลอฮฺสุบฮาหนูร์ตาราแบบนี้ได้แล้วก็ทัศนาก็ยังส่งเสัยไม่ซ้าไปครับครับนัืน่องนีในเรื่องนี้ก็ดีน ะ, อ, ะอันนี้จบแล้ววันนี้เราได้ความรู้นะคนมีมีรคเจิก็ขอร้งได้แล้วก็อ่าน ตัวนแท้ต้องเหตุทาเจิตมาเพื่อเพื่อลอเราเราจะอุบอกตจะครับมาทีสะอาดคนที่ไม่อ่านตัวอ่านนะไม่สามารถจะกล้ชิดของอันล้อให้เราสเปกตัวเราคนที่ไม่อ่านตัวอ่านจะไม่ได้ทางนำทางอลบงกตตามไห้นะใช่หไมอาจารย์ใช่ไหมครับใช่ครับอาจารย์คนที่ไม่อ่านตัวอ่าน ก็ไม่ได้คานํ่งัาแเราทีนี้เราส้งเกตตัวเราเราบอกว่าใจมันเรามาชุบแล้วอาจารย์จะฝากผมวันนี้อาจารย์วิบ อ, อกว่าเปเกิดลูกสาวถ้าเราตัดใจอ่านตู้อ่านไรสอบชีวิตใจดีขึ้นตรงตอนเช้าอาจารย์จะสิอนอให้บริกาเอาวิสกีมาแจกตามบ้านใ ช, ช่ไหมอาจาสิอย่างนั้นใช่รือเปล่า ทูลสุลต่านสุลต่านเราสามขอด้วยอาไว้นะครับอัลลอฮุมบะบาริกอุมมตีฟีบูกูริห์มอัลลอฮ์ขอให้อุมาของฉันนั้นได้รับบาริกะบาริกะแบมงคลสิริมงคลความเพิ่มพูนในยามเช้าเช้งั้นเราทําอะไรก็ตามที่เป็นความดีหรือทําอะไรก็ตามที่เป็นการเริ่มทํางานทั้งเรื่องของดุลยาอาชีพการงานเราเรื่องอาคิระอเรื่องการทําความดีนั้นทําในยามเช้าเชเนี่ยเราจะพบว่าเราส่วนใหญ่เราจะประสบความสําเร็จ อันเนื่องมาจากหนึ่งบรารักะ น, นี่ฮบรารักะแปลว่าความมงคลนะครับความเพิ่มพูนที่ทศรูมรลอนจะขอด้ว่าให้กับอุมมะของเราทุกคนขอให้กับผมขอให้จําดูกรณีขอให้พี่น้องทุกคนเลยนะครับที่ทําอะไรในยามเช้าเชนะครับเราจริงสังเกตนะครับว่าทําอะไรในยามเช้าเชนี้ส่วนใหญ่จะประสบความสําเร็จอันเนื่องมาจากบรารักะนะครับนั้นอย่าลืมนะครับพยายามทําอะไรในยามเช้าเช้าอ่าการยิ้ยนะข้าใส่นะคอยใจเราใ ครับนั่นคือคุณค่าใช่ไหมครับคุณค่าที่อยู่ในหลักการอิสลามเราคุณค่าที่อัลลอฮ์สุบฮานุอัลตะลาเนี่ยได้ท่งคัดเลือกอิสลามมาให้กับเราอัลลอฮ์ให้ฮิดายะแปลว่าทางนําให้เราได้ค้นพบศัจธรรมเราได้ค้นพบคันลองแบบอย่างในการใช้ชีวิตไม่ให้เราใช้ชีวิตรื่อยเปยื่อนึกอยากอะไรก็ทํานึกอยากจะนึกอยากจะอาจะอะไรจะเสพอะไรก็เสพ ไม่ใชนะ่แต่เราได้วิถีแห่งการเดินินชีวิตมีกรอบในการเดินชีวิตเรามีเป้าหมายเรามีจุดหมายในการใช้ชีวิตเรากับนั่นคือคุณค่าที่แท้จริงของการที่เราค้นพบอิสลามผมว่าในจุดเนี้ยจุดนี้เนี้ยต้องชื่นชมพี่น้องต่างศาสนาครับส่วนใหญ่ที่เขาค้นพบมากกว่ามุสลิมได้ซ้าไปนะผมว่าในจุดนี้ผมได้สัมผัสกับพี่น้องนะครับมอัลลัค ที่เขารับอิสลามด้วยกับ like จิตวิญญาณอย่างแท้จ like ริงนะครับค claro ้นพบอิสลามอย่างแท้จริงเนี่ยเขาได้ได้ค้นพบสิ่งที่ทรงคุณค่ากับเขานะครสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่มันเป็นจิตวิญญาณมันความยิ่งใหญ่สำหรับเขาพ่อแม่ครอบครัวเพื่อสิ่งที่ทุกคนรักใช่ไหมครับรักอยากจะอยู่พ่อแม่อยู่กับครอบครัวแต่ถ้าสิ่งนั้นพ่อแม่หรือครอบครัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับอิสลาม คนเหล่านี้เขาจะไม่แคร์เลยฮะคนเหล่านี้เขาคิดว่าสิ่งที่เขาค้นพบนั้นมันมีคุณค่ามากกว่าครอบครัวมากกว่าความสุขที่ได้รับจากพ่อแม่ได้รับความสุขที่ได้รับจากสามีภรรยานั่นคืออิสลามนะครับเน้นๆในหน้าประวัติศาสตร์ที่เราได้ค้นพบนะครับบรรดาสฮาบะฮ์ที่เขารัเขาพบอิสลามหนึ่งในนั้นท่านมุสอาบบินอุเมเอรมุสอาบินอุมเอรเป็นคนสําอาง คนรูปรอ่อคนพ่อรวยนะครับใส่เสื้อผ้าจะต้องมีราคานะครับเดินเหินไปในนกกครบกานี่ยกล่นไปด้วยกลิ่นน้ําหอมนะครับเป็นที่ต้องตาต้องใจของสาวๆแต่ในวันที่มุสอับบินอูเมตได้รับอิสลามได้รับแบบอย่างหรือคอลลองหรือความสุขที่เป็นความสุขทางจิตวิญญาณดิแท้จริงแล้วนั้นมุสอับบินซบินอูเมตนั้นเลือกที่จะเดินแบบอิสลามถึงแม้ แม่จะบอกว่ามุสอับถ้ามุสอับเรียกอิสลามพ่อแม่จะตัดมุสอับออกจากกรมรดกทั้งหมดเลยเงินทองที่มีอยู่นั่นคือความสุขความสบายความสำอาญที่มีอยู่นั้นจะต้องหมดไปกับชีวิตของมุสลับมุสลับบินอุมิดเรียกอะไรครับมุสลับบินอุมิดเรียกอิสลามเพราะอิสลามที่มุสลับบินอุมิดได้เข้าถึงได้รู้ได้รู้อย่างจริงๆแล้วเนี่ย มุสอับคนพบว่าเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าสิ่งที่มันมันแลกได้กับทุกสิ่งทุกอย่างแม้แก่ชีวิตของมุสอับบินอูเม็ดในวันที่วิญญาณออกจากร่างไปในสงครามสงครามอะไรครับสงครามบาดั้สงครามอุครุตนะครับในวันนั้นมุสอับบินอูเม็ดนะครับเสียชีวิตในสงครามในครั้งนั้นครับเสื้อผ้าที่จะกะฝันมุสอับบินอูเม็ดนะครับเวลาท่านอัลลอฮฺสุลต่านอัลลอฮฺกอสัลลัมจะเอาผ้านั้นคุมไปที่ศีรษะเท้าก็โผล่ ดึงมาที่เท้าศรีรษะก็โผนั่นคือผ้าไม่พอที่จะหุ่มกระฝันตนเองเด้ซ้าไปจากคนรวยคนที่อยู่สำอางคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแต่ในวันที่วิญญาณออกจากร่างในวันนั้นดูเหมือนว่านมันไม่มีอะไรเลยแต่มุสอับมิโนเมตนะครับมีความสุขใจมีความยินดีเพราะสิ่งที่มุสับ บินอมุมเอตได้รับนั่นคืออะไรฮะความสุขทางจิตวิญญาณในขณะที่ในขณะที่อยู่ในโลกดุรยานี้แม้จะเหนื่อยนั้นแม้ว่าจะดูเหมือนลําบากในโลกดุรยานี้แต่มุสลับวินอมุมเอตนั้นมีความสุขครับมีความสุขที่ได้เหนื่อยมีความสุขที่ได้อดอยากมีความสุขที่ได้รับได้รับใช้อิสลามมุสลับวินอุเมตเป็นสหายที่ท่านสุลต่านสุลต่านซ้ำเลือกเป็นทูตคนแรกก่อนที่ท่านนาบีจะอพยพจากมักก้าสุนนครมมดีน่านั้น ท่านดุสรล์เรียกมุสอับบินอุมิดเป็นตัวแทนไปเป็นครูส อ, สอนสอนเรื่องราวศาสนาชาวนครบดีนะหนึ่งปีก่อนที่ท่านดุสรล์จะอพยพไปนั่นคือภาระอันทรงคุณค่าเรื่องที่ยิ่งใหญ่และมุสอับบินอุมิดก็ได้ทําหน้าที่ของท่านได้อย่างสมบูรณ์แบบนั้นมุสอับบินอุมิดได้ค้นพบสิ่งที่ทรงคุณค่าสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่ให้ให้ให้ชีวิตที่ดีงามหรือพู ด, ดง่ายๆครับเขามุสอับบินอุมิดนั้นได้ค้นพบความสุข ที่แท้จริงคือมุสลิมอินุเมตได้ค้นพบแนวทางโดยการใช้ชีวิตเราอัลฮัมดุริยาใช่ไหมครับที่เราได้ค้นพบในเรื่องนี้ที่ผมบอกว่าบางครั้งมุสลิมที่มาแต่เดิมแต่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งพี่น้องครับน่าเสียดายที่เป็นมุสลิมมาแต่เดิมคุณพ่อคุณแม่เป็นมุสลิมเกิดมาตั้งชื่อก็เป็นมุสลิมได้รู้จักอัลลอฮ์แต่ไม่ได้เข้าถึงจิตวิญญาณที่แท้จริงไม่ได้รู้คุณค่าที่แท้จริงของสิ่งที่มีอยู่ไม่ต่างอะไรกับ ไก่ที่ได้พลอยไม่ต่างอะไรกับลิงที่ได้พลอยลิงพี่น้องครับเอากล้วยมาให้หนึ่งลูกกับเอพอยเอาทองมาให้หนึ่งหีบลิงจะเลือกอะไรครับลิงเลือกเพียงแค่กล้วยนะครับเพราะลิงนั้นเห็ น, หนแต่คุณค่าประโยชน์เพียงทั้สั้นลิงไม่รู้คุณค่าของทองเป็นหีบเราะคไม่รู้คุณค่าพี่น้องครับในวันนี้เนี่ยมุสลิมมีสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าทองเป็นหี บ, หบ เพราะสิ่งที่มุสลิมมีอยู่นั้นเป็นสิ่งที่มันทรงคุณค่าสิ่งที่มีมีแรงบันดาลใจสิ่งที่ให้ประโยชน์ไม่มีอะไรที่มันจะมีคุณค่ามากไปกว่าสิ่งที่มุสลิมมีคืออะไรฮะมุสลิมมีกาิมหัศลอิละฮะอิสลามครับมุสลิมเรามีอัลลอฮ์มุสลิมเรามีพระเจ้ามุสลิมเรามีทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นทางทางทา ง, ทางออกสําหรับชีวิตเรา มุสลิมเรามีเป้าหมายชีวิตเราอยู่นั้นเรามีเป้าเป้าหมายในการใช้ชีวิตเราจะอยู่ในสถานะใ ด, ดก็ตามอยู่ในภาวะใดก็ตามจะสุขจะทุกข์จะลําบากนั่นไม่ใช่เป็นอุปสรรคสําหรับการที่มุสลิมนั้นจะค้นพบศัจธรรมมุสลิมจะค้นพบความดีงามความสุขความดีงามนั่นคือสิ่งที่ ที่มุสลิมมีอยู่สิ่งที่อิสลามมีอยู่แต่เสียดายครับที่ผมบอกว่าเสียดายที่หลายคนนั้นไม่รู้คุณค่าของสิ่งนี้แล้วก็ดีใจแล้วก็ยินดีกับพี่น้องลหลายๆคนครับที่แม้ว่ามารู้จักอิสลามที่หลังแต่ได้ค้นพบสิ่งที่ทรงคุณค่าได้เข้าถึงจิตวิญญาณแก่นแท้จริงๆของอิสลามที่มีอยู่คือมี Allah, อัลลอฮ์พี่น้องครับมีอัลลอฮ์สิ่งนี้สิ่งเดียวพี่น้องครับมันเหมือนว่าเรามีทุกอย่างในชีวิตเรามีอัลลอฮ์ เราจะเปคนพบของชีวิตที่ท่งผลค่าในชีวิตเรานะครับนั่นคือสิ่งที่ที่อยากจะเกิดไว้พี่น้องครับสืบเนื่องจากเรื่องนี้นะครับเรื่องการขอดุทิศที่ต่อยอดมาจากสิ่งที่จารมนนี้ได้เกิดเอาไว้ถ้าจารมุสฟาได้เกิดเอาไว้พี่น้องครับอุทิศนั้นเป็นสิ่งที่ส่งผลค่าดุทิศนั้นเป็นสิ่งที่ที่มีสิ่งที่อยู่คู่กับการที่เรามีอัลลอฮฺสุบฮานุบอัตลาครับ มุสลิมมีที่พึ่งมุสลิมมีทางออกมุสลิมไม่มีคําว่าจนแต้มมุสลิมไม่มีคําว่าจนตรอกไม่มีใชครับอุมัยัตกิลาฮ์ยะยะอัลลอฮุมะครยาใครก็ตามที่มีตกวันยำเกรงกับอัลลอฮ์สุบฮานีวาตาลามเขาจะมีทางรอดมีทางออกในทุกวิกฤตทุกเหตุการณ์ทุกปัญหาทุกอุปสบรคที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาพี่หรอครับนั่นคือมุสลิมครับ ขออนุญาตเล่าเหตุการณ์ที่ที่ได้ประสบมานะครับอาจจะเคยเล่ามาบางบางบางครั้งนะครับแต่ว่าเรื่องที่เล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ได้ประสบกับตนเองแล้วก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่คนทั่วไปเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นเรื่องที่มันเหลือเชื่อมันเกิดขึ้นได้อย่างไรกลับย้อนกลับไปสี่ปีที่แล้วนะครับมีพี่น้องมาจากจังหวัดสตูล น, นะครับมีครูท่านหนึ่งมาเขาบอกเขาอยากจะไปฮัตช์นะฮะเก็บเงินเก็บทองมาอยากจะไปฮัตช์ฝากบริษัทไปตอนนี้ ปรากฏว่ารายชื่อนั้นไม่ออกบริษัทก็เก็บเงินไปแล้วแล้วจะไปฮัทยังไงนะครับมอขอโค อ, อร้าฮัทกษัตริย์ของสตีอเรเบียโครงการนี้ก็ปิดไปแล้วเพราะว่า mm hmm. เพราะว่าไง mm hmm. เพราะว่าระบบอีซราเอลปิ ด, ป, ดปิดล็อกไปทั้งระบบทั้งทั่วโลกเลยนะครับแต่เขาก็มาครับก็อยากจะไปฮัทนะฮะจะทํำยังไงนะฮะวันนั้นวันศุกนะร์วันศุกร์พอเข้ามาถึงประมาณ เก้าโมงสิบโมงมาพูดคุยแล้วก็พบคําตอบว่าตามอาดะตามเหตุตามผลนะครับไปไม่ได้แล้วสิบโมงเช้าครับแกก็นั่งเข้าไปละหมาดนั่งขอดดอาและไม่ใช่ดดอาธรรมดานะครับแต่เป็นดดอาที่หวังผลจริงๆไม่ใช่ดโอารวยเปืยไปได้ก็ได้หรือยังไงนะแตเป็นดดอาที่หวังผลดดอาที่ที่มีน้ําตาครับดดอาที่มีเสียงสะ อ, อื้นดดอาที่มีความรู้สึกว่าไม่มีใครช่วยได้เนะีย มาสถานทูตสวิตเตอร์เบียเปนคนออกวีซ่าแล้วนี่ครสถานทูตยังพิจิตรแต่คนคนนั้นเขายังไม่หมดหวังนะครับเพราะไงฮะมนุษย์อาจจะหมดหมดประตูแต่สำหรับอัลลอฮ์แล้วเนี่ยฮะมันไม่หมดเนี่ยฮะผมว่านี่นี่เป็นเป็นสิ่งที่อยากจะฝากเลยนะครับหลายคนหลายคนก็จะยึดติดกันแค่แค่เรื่องของมนุษย์เรื่องของตักกะเรื่องของเหตุและผลแล้วมันก็จบไปนั่นคือคนทั่วไปคนที่ไม่มีพระเจ้าคนที่ไม่มีอัลลอฮ์หรือมีอัลลอฮ์แต่เข้าไม่ถึงอัลลอฮ์ แต่ไม่ใช่คนนั้นพี่น้องครับตัวครูคนนั้นเขามีอัลลอฮ์และเข้าถึงอัลลอฮ์เขาไม่หมดหวังสิบโมงเชาาา้าเขขอเดีวอาครับจนทั่งวันยามนะครับที่เฝ้าสถานทูตนี่ยับมาโทรมาถามว่าเนี่ยคนนี้เป็นใครเนี่ยมาเห็นแล้วก็เข้าไปละมาตนะครับแล้วก็ร้องให้สะอื้นอยู่เนี่ยเป็นใครก็บอกคนเขามาจากพันธ ร, รมิตแล้วก็มาไม่ได้วีซ่าเขาก็ขอพอจากพระเจ้าให้ได้ไปเขาก็จนกทั่งว่าละมาต ละหมาดละสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเขาก็ยกมือดูอาอีกไม่เคยท้อแท้ไม่เคยหมดหวังในดูอาครับนี่พอรอพอดูอาแกก็เริ่มร้องให้แกอยากจะไปจริงๆเลยไม่เคยได้ไปนะฮะแล้วก็ตั้งใจแล้วไม่มีโอกาสแต่ไม่เคยหมดหวังนี่แกนั่ ง, งข้างๆกับท่านทูตกาตานะฮะท่านทูตกาตาก็ก็มาสกิดว่าร้องทําไมแกพอพูดภาษาอบได้แกก็บอกว่าแกนี่อยากจะไปทำฮัท เก็บเงินเก็บทองมาแล้วบริษัทเอางเงินไปแล้ววีซ่าไม่ออกโค้ต้าไม่ได้มาขอสถานทูตตอนนี้วีซ่าก็ปิดไปแล้วแกบอกก็ไม่เป็นไรเอาพาสปอร์ตมาเดี๋ยวแกจะช่วยคุยกับท่านทูตซาอุให้ก็เอาพาสปอร์ตมาแกก็คุยกันผู้ใหญ่เขาก็คุยกันว่าขอกรณีพิเศษก็เสร็จเรียบร้อยครับเพียงระยะเวลาไม่ถึงชั่วโมงเคลียเรียบร้อยนะครับก็เอาพาสปอร์ตไปให้ตีวีซ่าออกมาเลยนะฮะแล้วก็บอกว่า ฮัดครั้งนี้ทางทูตกาตาเป็นเจ้าภาพให้เอาเงินเอาทองให้เลยเสร็จแล้วมีเงินติดกระเป๋าไปด้วยว่าไม่จกเกินละฮะจะจะอันลอฮุมัครยะใครที่ตักว่าจำเก่งอัลลอฮ์สุบฮานุตละลาอย่างแท้จริงแล้วนั้นอัลลอฮ์ให้ทางรอดอัลลอฮ์ให้ทางออกนะครับนั่นคือคนที่ที่เข้าถึงแก่นแท้จริงๆของการที่เรามีอิสลามนะครับการที่ไม่เคยท้อแท้ไม่เคยสิ้นหวังใน ในรหมมะในความเมตตาของเลาสมภารในวาตาลัอัลลอฮ์พร้อมจะให้นะครับแต่ถามตัวเราครับว่าเราเนี่ยในวันนี้เนี่ยพลังในความจริงใจที่เรามีอยู่ความรู้สึกที่เราอยู่ในเรื่องนี้ความเข้มข้นของเราในเรื่องนี้เมื่อไปเทียบกับตองคูคนนั้นมันได้ไหมนั่นจึงเป็นเด่นนะครับว่าวันนี้ที่เรายังไม่ได้วันนี้ที่เรายังไม่ประสบมันเพราะอะไรฮะ หนในตัวแปรสําคัญคือในความเข้มข้นของพลังที่เรามีอยู่พลังที่เรามีกับอัลลอฮ์ความมั่นใจในอัลลอฮ์ความเชื่อมั่นในอัลลอฮ์เรามีอยู่ในระดับใดนะครับนั่นคือสิ่งที่สิ่งที่มันมีคุณค่ามหาศาลที่ผมบอกแล้วว่าสิ่งที่มุสอับบินอุเมตได้ค้นพบสิ่งที่เราบรรดาซาบะท่านสาอทบินบีวากอสได้ค้นพบสิ่งท่านบีล้านสิ่งที่ท่านยาซิดอัมมาดบินยาซิดได้ค้นพบ สิ่งที่เร า, าบรรดาสบานได้คนพบคือสิ่งนี้พี่น้องครับสิ่งนี้สิ่งที่เมื่อมีพระเจ้าแล้วเราจะพบถึงความมหัศจรรย์ความยิ่งใหญ่ความอิ่มเอิบอยู่ในจิตวิญญาณเราครับความดื่มดําในการที่เรามีอรรถสุภะในวตรสา ร, รออาการที่เราสามารถที่จะมีความสุขในทุกสถานการณ์ได้ผมว่ามันเป็นสิ่งสำคัญเลยใช่ไหมครับนะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยทรอซูลลอสละลอฮ์อัลลอฮ์สลามจึงบอกว่าอาเจบันเลออัมรินมุกมิน มุมินผู้ศรัทธาที่แท้จริงเนี่ยป็นคนมหัศจรรย์เป็นคนที่แปลกนะเพราะคนทัท่วๆไปเนี่ยเขาพอเขาได้รับความสําเร็จเขามีความสุขเมื่อเขาได้รับตามสิ่งที่ตั้งใจสมปทานาเขามีความสุขแต่ถ้าไม่สมความตั้งใจไม่ได้เหมือนที่ตั้งใจเสียหมดเขาไม่สามารถที่จะรับเหตุการณ์นั้นได้นั่นคือคนทั่วไปหรือแม้แต่มุสลิมแต่มุสลิมที่เข้าไม่ถึงจิตวิญญาณในเรื่องนี้ ซึ่งสังเกตแล้วสาว่าจะเป็นมุสลิมมากจำนวนมากเดืซ้าไปนะเหมือนกับคนทั่วไปแต่มุสลิมที่เข้าถึงแก่นแท้จิตวิญญาณในเรื่องของอิสลามทแท้จริงแล้วนั้นเขาไม่ใช่เพราะถ้าเสาสบอกว่าอาเยบันลิอัมรินมุกมินคนมุกมินแบบนี้เป็นคนแปลก คานกระแสะก็คนทั่วไปอิ น, นะอะมรหูกุลละหูค้อยรุนละเพราะเรื่องราวต่างๆของเขาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาจะดีไม่ดีจะบวกจะลบแต่เขาบวกตลอดนะเขาเดีตลอดเลยเห็นไหมครับอินอัศอบัตชุสระชกระกนะอร์ล้านะข้ยรุนละยามประสบกับเรื่องดีงามครับเรื่องยินดีข่าวดี เขาขอบคุณอัลลอฮ์เขาไม่หลงไม่เหลิงแต่เขาขอบคุณอัลลอฮ์เขาสืบยุตขอบคุณกับอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาเขาทำความดีเพิ่มถ้าเป็นเงินเป็นทองเขาก็เอาเงินทองเหล่านั้นมาต่อยอดมีเงินมีทองมากยิ่งขึ้นมีเงินมากยิงยงกกย่งขึ้นยิ่งทําซาลก้มากยิงกยงกย่งขึ้นยิ่งทําซาลก้มากยิ่งขึ้นก็ยิ่งมีทรัพย์มากยิ่งขึ้นนั่นคือคนที่ดีแล้วก็ดีดีขึ้นไปวออินอัซอ บ, บัชุดรอสบราระก้าห์อะไครรุนละยามที่เขาประสบกับเรื่องลําบาก เรื่องเดือดร้อนปัญหาอุปรสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาเขามีวิธีที่จะรับมือวิธีการบริหารจัดการโดยอาศัย إ ي م านที่เขามีอยู่นี่นแหละสบาระเขาสามารถที่จะอดทนได้เขาสามารถที่จะรับได้เขาสามารถที่จะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้ในผมว่ามันจุดเนี้ยเป็นจุดที่ต่างระหว่างคนทั่วไปกับคนที่เป็นมุมินพี่น้องครับจาไว้นะฮะโซนที่จะต่างกันเป็นไม้บรรทัด ที่สามารถที่จะแบ่งได้ว่าคนนั้นเป็นมุสลิมที่ที่ใช้ได้แล้วกับมุกับคนมุสลิมดาดดืนท่งทั่วไปหรือไม่อยู่ในจุดนี้ถ้าเป็นมุสลินที่ศรัทธามั่นเขาสามารถที่จะรับได้เขาสามารถที่จะรับได้เขาสามารถที่จะแปลงวิกฤตเหล่านี้เป็นโอกาสที่จะรับความเมตตาจากลัทธิสุภะในอุตสาห์ได้เขารู้ครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นสิ่งที่ได้ไม่สิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่เสีย เขาจะมองสิ่งที่ได้เพียน้องครับสิ่งที่ได้อย่างในน้อ ย, อยได้รับผลบุญได้รับความเมตตากับเลาสุบภานุวาตาละสองสิ่งนั้นมันจะกลายเป็นเป็นโอกาสสิ่งนั้นมันจะกลายเป็นโอกาสแม้ว่าตามภายนอกนั้นมันจะเป็นการเสียการหมดเราค้าขายขาดทุนเราเสียคนใกล้ชิด เราเสียทุกสิ่งทุกอย่างแต่สิ่งที่เราไม่เสียคือเรามีอัลลอ์อยู่เนี่ยพี่น้องครับมันสามารถที่จะกลับมาได้ท่านนบีท่านนาบีซากริยาอัหฮิตซลามครับผมก็งอกนะครับแกก็แก่ภรรยาก็เป็นหมันวอลัมอักุนบิดูอาอุลบิกะชะตียันท่านกล่าวว่าแต่ฉันไม่เคยท้อแท้ไม่เคยหมดหวังในการขอดูอุนากอัลลอฮ์ิปีแล้วผมก็งอก สุดท้ายอาลัลลอฮฺสุบฮานาอูต้าลก็ให้ลูกนั่นเนี่ที่ผมบอกผมกําลังจะบอกนะครับว่านั่นคือคุณค่าของการที่เรามีมุสลิมใช่ไหมครับการที่เราทุกคนได้สัมผัสกับเหตุการณ์นี้ในชีวิตเราใช่ไหมครับนั่นคือสิ่งที่นั่นแหละใช่คือสิ่งที่ใช่สิ่งที่เราได้เจอสิ่งที่เราได้กันพบนะครับนั่นคือความเป็นเป็นมุขมินที่แท้จริงและเมื่อเป็นมุขมินที่แท้จริงเขาจะค้นพบสิ่งที่มันเป็นคุณค่าสําหรับเขา อย่าว่าแต่ทรัพย์สินเล็กๆน้อยๆเลยแม้จะเอาดุนยามาแลกทั้งหมดเราก็จะไม่ยอมแลกใช่ไหมครับเพราะสิ่งที่เรามีนั้นมันมันเป็นเป็นสิ่งที่มันล้าค่าที่สุดนะครับไม่สามารถที่จะเอามาแลกได้ครับนั่นคือความยินดีที่อยากจะบอกกับพี่น้องทุกคนที่ที่ได้สมัมผัสกับสิ่งนี้แล้วก็เป็นความเป็นห่วงความเป็นห่วงนะครับแล้วก็ความเสียดายนะครับที่มุสลิมที่เรามีอยู่แล้วแต่เราไม่เคยได้เข้าถึงสิ่งนี้ ยังไม่สายไปน้องครับยังไม่สายที่จะเข้าถึงสิ่งนี้นะครับมาชา้าเดี๋ยวก็ไม่มานะครับรู้ชา้าเดี๋ยวกว่ายังไม่รู้เลยงั้นพยายามกลับมาไปน้องครับกลับมาถึงแก่นแท้สิ่งดีๆที่เราได้มีอยู่นะครับแล้วก็กลับมาในเรื่องของฮะ ด, ดีสที่เราได้คุยอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผมกล่าวมาทั้งหมดพี่น้องครับนั้นสิ่งทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะไม่มีคุณค่าอะไรครับ สิ่งที่เราจะอ่านกันไปสิ่งที่จะเรียนรู้กันไปหรือสิ่งที่เราถามทั้งหมดเลยถ้าหากว่าเราไม่มีความมุ่งมั่นเรายังไ ม, ม่ไม่มีความชัดเจนครับในเรื่องของอัลลอฮ์ในเรื่องขอ ง, Allah, อ ง, ของมะอิฟตุลลอหในเรื่องการรู้จักอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาซึ่งในเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องผิวเผินในรู้จักอัลลอฮ์ผิวเผินมันก็คือคนทั่วๆไปที่เขามีบัตรประชาชนบอกว่าเป็นอิสลามนั่นคือผิวเผินซึ่งผิวเผินเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเสียดายครับว่า ว่าเขาขาดโอกาสที่น่าจะได้รับสิ่งดีๆในชีวิตของเขาเขาเป็นมุสลิมอยู่แล้วเขาน่าจะได้มีความสุขในชีวิตของเขาเขาเป็นมุสลิมอยู่แล้ว<อ>ขเขาน่าจะได้ได้รับความอิ่มเอิบได้รับความสําเร็จแต่ทําไมเขาไม่ได้รับนะครับนั่นคือปัญหาแหะครับครับนั้นเราพยายามช่วยกันนะครับพยายามช่วยกันบอกนะครับพยายามช่วยกันบอกพยายามช่วยกันแจ้งข่าวเดียดนี้ไปไปให้ถึงเขานะครับนั้นสิ่งที่ กล่าวมาทั้งหมดเลยมันจะไร้ค่ามันจะไม่มีคนค่าใดๆครับถ้าหากว่าเรานั้นไม่ได้ตกผึกไม่ได้เข้าถึงแกนแทสจิตวิญญาณของการที่เรามีอัลลอฮฺสุบฮานิวะตาลาแล้วก็ตัวช่วยในเรื่องนี้ฮะดิษบทแรกนะครับที่ได้กล่าวเอาไว้มันเป็นเหมือนกระดุมเม็ดแรกในการทําอะไรก็ตามครับถ้ากระดุมเม็ดแรกเนี่ยมันถูกต้องไอกระดุมเม็ดอื่นเนี่ยมันไม่ลำบากใช่ไหมครับแต่เมื่อใดก็ตามครับที่กระดุมเม็ดแรกเนี่ยมันผิด มีปัญหาเลยนะฮะติดยังไงจะให้มันสวยยังไงนะครับเสื้อผ้าราคาเป็นหมื่นเป็นแสนถ้ากระติดกระดุมมัดแรกมันไม่ถูกเนะี่ยมันก็ไม่สวยใช่ไหมครับใช่เลยครับที่ผมพูดนังนีืนเรื่องของศาสนาเรื่องการใช้ชีวิตเ ร, เ, รออเรื่องของมุสลิมเรื่องของอิสลามเรื่องของมุสลิมมัดแรกที่จะต้องพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ฮะเรื่องความอิคลาสความประทับใจซึ่งเรื่องเนี้มันก็เป็นหนึ่งในจิก๊กซอที่ในการรู้จักอัลลอฮ์ س ب ح ا ن นและก็ุ์อาลัการที่จะรู้จักอัลลอ การก็ถึงเอาว่ามีจิ๊กซอหลายตัวครับที่จะเป็นจิ๊กซอห์ต่อๆกันไปแต่จิ๊กซอที่มีความสําคัญมากเป็นจิ๊กซอหลักครับก็คือเรื่องนี้ครับฮะดิษที่เรากล่าวเรื่องความเอกลาสความมีสุดใจกับอัลลอฮฺสุบฮานาอุา阿拉หรือจะพูดอีกประเด็นหนึ่งในเรื่องนี้คําว่าศารสารตั้งต้นสารเพิ่มประสิทธิภาพในอามัตอิบาร์ดะก็ไม่ผิดอิบาร์ดะที่เราทํามีคุณค่าอยู่แล้ว แต่ถ้าเราใส่ความอคลาสความไปสุดใจนะฮะมันจะเพิ่มประสิทธิภาพเป็นร้อยเท่าเป็นเจ็ดร้อยเท่าหรือไม่สามารถที่จะสามารถจะคำนวณได้เลยพี่น้องครับมันเรื่องใหญ่ใช่ไหมครับหญิงคนหนึ่งพี่น้องครับเดินทางไปในทเนไรา์รอนแรมหญิงคนนี้มีอาชีพเป็นโสพินีไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าเธอนั้นจะมีเรื่องละหมาดขอไม่ต้องพูดถึงนะครับทาความผิดมาตลอด ความผิดยิงใหญ่หนึ่งในบาปใหญ่คือเรื่องของการทําศีนาเดินทําไปในทะเลทรายร้อนแรงไปเสร็จแล้วหิวน้ําก็ลงไปในบ่อน้ําดื่มน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วเนีขึ้นมาปากบ่อมาเจอสุนัขตัวหนึ่งนะครับเลียดินเปียกๆนั้นด้วยความหิวตนเองเนี่ยนึกถึงเลยว่าตนเองที่หิวน้ํามาก่อนสุนัขตัวนี้เนี่ยมีความรู้สึกสุนัขตัวนี้ก็มันมีความหิวไม่ต่างกับตนเองที่หิวน้ําพอคิดได้แล้วนั้นก็รีบลงไปเลยครับ ลงไปในบ่อน้ําเสร็จแล้วก็เอารองเท้าตักน้ําขึ้นมาคับปากก็คาบรองเท้าขึ้นมามือก็ปีนปากบ่อขึ้นมาเอาน้ำมาให้สุนัขตัวนั้นดื่มวงเล็บนะครับให้สุนัขนะครับไม่ได้ให้คนนะครับสุนัขที่บางคนบอกว่าเป็นสัตว์ที่บางครั้งจะต้องไล่มันออกไปสุนัขเป็นนายิสซซามถือเป็นนายิสตแต่ผู้หญิงคนนี้เอาน้ําให้สุนัขตัวนี้ได้กินเพื่อให้รอดพ้นจากความตายนะดิษบอกว่าละฟารอฮาัลลอห์อัลลอฮ์อภัยให้กับนาง ว่าอดีตความทันใ น, นะบางรีวายาิยะบอกว่าอัลลอฮ์ให้บุคคลผู้นี้ได้เข้าสวรรค์นั้นทํานิดเดียวเหมือนกับเรื่องแคนิดเดียวนะคนนี้นั้นไม่ได้บริจาคเป็นล้านเป็นแสนเป็นหมื่นล้านไม่ได้ทําอิบาร์ดาไดเลยที่มันมันเป็นยิ่งใหญ่แต่เพียงแค่เอาน้ําช่วยเหลือสุนัขตัวหนึ่งนั้นให้รอดพ้นจากการตายแต่เรื่องมันใหญ่มากนะอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาละพี่น้องครับใหญ่พราะอะไรฮะ รุ บ, บ่อาเมนสกิรติสกิรติต็นตุกับบิโรอันนี้เต็ุบางครั้งสิ่งที่เราทําดูเหมือนว่าเล็กน้อยแต่การเหนียดการตั้งเจตนาที่ดีการที่ไม่มีริยาคำว่าริยาคือการทําให้คนอื่นเห็นการทําให้คนอื่นชมเพื่อให้คนอื่นชมเพื่อให้คนอื่นมาตอบแทนไม่มีคนๆ น, นี้ไม่มีแต่คนๆ น, นี้มีคือเขามีนั้นช่วยส่วนนันตัวนี้หวังผลบุญจากอรรถสุภะนิวตา อัลลอฮ์ยกโทษให้ทั้งหมดเลยฮะแล้วอัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์มันยิ่งใหญ่ไหมครับใหญ่มากเลยใช่ไหมครับนั่นเราจึงเห็นว่าตัวแปรสําคัญอยู่ตัวนี้พี่น้องครับศารที่จะมาเพิ่มประสิทธิภาพนอมันอิบะดาเราก็ อ, อยู่ตัวนี้ต่างกันพี่น้องครับบางคนบริจาคเป็นหมื่นล้านแสนล้านแต่ถ้าไม่ได้มีเจตนาว่าเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์มันไม่มีประโยชน์พี่น้องครับมันจะไร้คนค่ามันเหมือนกับเม็ดทรายเหมือนกับฝุ่น ที่ไม่มีคุณค่าใดๆนะวัชุมาฮาเนวตารววาตา์มันจึงเป็นเรื่องที่ผมบอกว่าเป็นเรื่องที่ที่ที่เราต้องใส่ใจกันนะครับและพยายามเสริมทรัพย์เรื่องนี้ให้ได้ให้เกิดความรู้สึกในเรื่องนี้นั้นเป็นสิ่งแรกที่เรานั้นต้องคิดในการทำอะไรก็ตามก้าวแรกที่เราเดินก้าวแรกที่เราทำทุกสิ่งที่เราจะเริ่มทำต่อไปได้ว่าสิ่งที่ทำเพื่ออะไรท่านฮาซันลุศรีได้กล่าวว่าเราให้มาเราด้นั้น ขอฮอลอสสุภาานุตราสงไม่ตาคนคหนึ่งนะครับฟักกรรที่เขาคิดมาตอกดำสิ่งที่เขาจะทําต่อแบสิ่งที่เก้าที่เขจะทํานั้นทําเพื่ออะไรทําเพื่อใครถ้าคําตอบว่าทําเพื่ออลัลลอฮ์ตอกดำเขาก็ก้าวเท่าเริ่มก้าวเริ่มทําในสิ่งนั้นแต่คิดถ้าสิ่งนั้นไม่ได้ทําเพื่อไม่ได้ทําเพื่ออลัลลอฮ์ประวิงเวลาไว้นะครับยังไม่ก้าวเดินไป นั่นคือสิ่งที่ทรงคุณค่าใช่ไหมครับว่ามันเรื่องใหญ่มากเลยเอาท่อมดีละครับที่ตัวผมเองมีโอกาสได้นําสิ่งนี้มาแชร์กันมาบอกกันนะครับถือว่าเป็นคุณค่ามาอาสานถือเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่ ท, ที่หลายคนลืมกันไปเป็นเรื่องใหญ่ที่หลายคนคิดว่ามันเป็นเรื่องที่กล่าวกันเพียงแค่เปลือกไม่เข้ามาแกนแท้ไม่เข้ามากล่าว ใ ห, ให้เข้าใจอย่างละเอียดอย่างลึกซึ้งไม่มาจํำจี้จํำชัยกันในเรื่องนี้นะนั้นในหนังสืออัลบานอินนาววีที่เราจะถือว่าเป็นหนังสือที่เราจะมาเป็นแบบเรียนฮะดิษที่เราจะเ ร, รียนกันบทแรกก็เรื่องนี้ใช่ไหมครับอินนามะอัมาลุบินนียตอามานทุกสิ่งทุกอย่างอามานอิบาดะห์ความดีการการะทำของเราทั้งหมดเลยนั้นขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนา อินนามัยเลคุลิมริอิมมานะวาแต่ละคนจะได้รับตามสิ่งที่ตนเองได้ตั้งเจตนาเอาไว้ฟะมังก้านฮิจรัตุฮูอิลลัลลอฮฺวะรอสูลิฮฺฟะฮิจรัต uh ุ ฮ, ฮฺอิลลัลลอฮฺวะรอสูลิฮฺใครก็ตามที่เขาตั้งเจตนาอุปยบไปเพื่ออัลลอฮฺและรอซูลเขาก็ได้อพยพไปหาอัลลอฮฺและรอซูลนั่นหมายถึงว่าใครก็ตามที่เจตนาของเขานั้นทําเพื่ออัลลอฮฺเขาก็จะได้รับผลบุญนั่นแหละ ฟามักนะ้เจรตุภูริ d u a ยุสีบุฮาและผู้ใดก็ตามที่อการอบพยบของเขาหรือเป้าหมายของเขานั้นเพื่อผลประโยชน์ในโลกนี้ยุสีบุฮาเขาก็าจะได้รับจับได้มากจะได้น้อยก็แล้วแต่แต่เขาจะได้รับเอาแค่เราได้รับไหมครับเอาแค่เราไม่ได้รับเอาวิมรอดเอนยันกิวาหรือถ้าหาว่าสิ่งที่เขาทำเป้าหมายของเขานั้นเพื่อเจริญก เพื่อที่จะสมรสเขาก็ได้หนีกาได้สมรสแต่ได้รับผลบรน์ครับไม่ได้รับผลบระโยชน์จากอง์สมบูหานุวาตาลนั่นคือเรื่องใหญ่นะครับเรื่องใหญ่แล้วก็ต้องบอกว่าใหญ่มากๆที่ต้องพูดกันชีวิตของเราปัญหาในชีวิตเราความยุ่งยากในชีวิตเราโซนหนึ่งต้องพบนะครับ เราเมื่ อ, เ ม, อเมื่อสาวไปให้ถึงต้นต่อแล้วเราจะพบว่าหนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าเราไม่ชัดในเรื่องนี้ใช่ไหมครับบางครั้งเนี่ยเราช่วยเหลือเขานะครับให้ชรากรับเขาเขาลำบากมาเราก็ช่วยเหลือเขาบางคนนะครับเอาเอายาดมาเลี้ยงตั้งแตเด็กนะครับเสร็จแล้วเพอเก็โตไปเขาก็ไม่มาดูแลไม่มาตอบแทนหลายคนก็ไม่สบายใจหลายคนก็ติดอ ก, กติดใจ หลายคนก็จะต่อว่านะครับทําดีแล้วทําไมไม่เห็นเข้ามาทําดีกับเราเลยนั่นคือเรายัางไม่ยกระดับจิตวิญญาณเราให้สูงขึ้นอัลลอฮ์ต้องการให้เราคนที่เป็นมุสลิม ม, มุนลิมแท้จริงนั้นยกระดับจิตวิญญาณเราให้สูงขึ้นให้สูงขึ้นมากกว่าคนทั่วๆไปให้สูงขึ้นคือให้เราได้ได้เพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ฟุตซามะอัลลอห์ยู่บนฟ้าถ้าเรายกจิตวิญญาณเราให้สูงขึ้นคือใกล้ชิดกับอัลลอฮ์จิตวิญญาณเราก็จะสูงขึ้น เราก็จะห่างจากผลประโยชน์ของมนุษย์หวังจากมนุษย์นั้นเราจะไม่หวังนะมันก็จะหมดไปนะฮะเราก็จะสบายใจเพราะเรามั่นใจครับไอ้สิ่งที่เราทําเนี่ยมันไม่ได้สูญหายไปไหนและสิ่งที่เราทํามันจะเพิ่มมูลค่าเพิ่มประสิทธิภาพถ้าหากว่าเราไม่ยึดติดว่าจใหคนมาตอบแทนเราแต่เราหวังการตอบแทนไม่ใช่ว่าเราไม่หวังอะไรไม่ใช่ไม่พ้องก็ไม่ใช่มุสลิมมุสมินที่แท้จริงหวัง แต่หวังจากอัลลอฮ์นู่นพี่น้องครับไม่ได้หวังจากมนุษย์ไม่ได้หวังจากสังคมครับบางคําที่อาจจะได้ยินมานะครับเขาอาจจะพูดว่าสิ่งที่เขาทานั้นไม่ต้องการให้ให้ใครมาชมเขาหรอกแต่ต้องการที่จะให้โลกจารึกชื่อเขาไว้อยากจะให้โลกจารึกชื่อไว้พี่น้องครับนั่นแสดงว่ามันยังไม่ใช่อิสลามพี่น้องครับยังไม่ใช่แก่นแท้ของความเป็นมุสลิมในแท้จริง การใช้คำพูดสิมที่ใช้จริงนั้นอยา่าใช้เอาลอตจารึกชื่อไว้พี่น้องครับไม่ได้ให้โลกต้องจารึกชื่อไว้แต่ต้องการให้อลัลลอฮ์นั้นจารึกชื่อไว้เขาทําทําเพื่อให้อลัลลอฮ์ชมไม่ได้ให้มนุษย์ชมทําเพื่ออลัลลอฮ์ตอบแทนไม่ใช่เพื่อให้มนุษย์ตอบแทนนั่นแหละครับที่ที่มันเป็นความความสูงส่งของอิสลามความสบายใจและความโล่งของความเป็นมุสลิม และพลังอันยิ่งใหญ่ของความเป็นมุ้เซมอยู่ตรงนี้พี่น้องครับว่าสิ่งที่พวกเขาทำนั้นความเพื่อความสมบูรณ์ทางในวาตาลัอีกท่านหนึ่งครับคาริฟะท่านอุมัดบินอับดุลอัซิยที่ท่านได้ใช้ภาพเราเห็นในเรื่องนี้พี่น้องครับท่านบอกว่าอันนอรยลลนตัมมะตอมมะฉันเป็นคนโลภนะโลภยังไง่ะฉันได้รับตําแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครมาดีนะฉันก็ยังไม่พอ ฉันอยากจะได้ตําแหน่งมากกว่านี้จนกระทั่งได้เป็นข้าหลวงปกครองประเทศอียิปต์แกก็บอกว่าแกยังไม่พอครับโจนกรทั่งแกได้รับตําแหน่งเป็นคอรีฟァเป็นกษัตริย์ของอาณาจักรอิสลามทั้งหมดเลยแกก็บอกแกยังไม่พอแกอยากจะได้อะไรครับรู้ไหมครับแกบอกว่าผมอยากจะได้สวรรค์ผมอยากจะได้สวรสวรค์ ครับดุลยานี้เป็นเพียงแค่เหมือนกับแกก็บอกว่าดุลยานี้ตำแหน่งมันจะสูงระดับใดก็ตามแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดมันไม่ใช่เป้าหมายอันนี้ทุกข์สวาไม่ใช่เป้าหมายที่สูงส่งไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงเป้าหมายที่แท้จริงของแกนั้นคือสวรครค์แกกําลังจะบอกแบบนี้นะครับส่วนตำแหน่งอื่นทั้งโลกดุลยานี้จะเป็นตำแหน่งคอลิฟ้าตำแหน่งข้าหลวงใจะใหญ่ขนาดไหนก็ตามมันเป็นเพียงเพียงแค่ตำแหน่งที่อาศัยตำแหน่งเหล่านั้น ตอบโจทย์เพื่ออาเคร์อาศัยตำแหน่งเหล่านั้นเพื่อจะได้สวรรค์นั่นพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่มันเป็นตัวอย่างที่ทรงคุณค่าให้เราเห็นอย่างชัดชัดว่าคนที่มีเนี้อที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเป้าหมายที่ที่ยิ่งใหญ่นั่นคือคนที่ทําเหมือนกับท่านอุมัตเป็นดับเดอรอารย์สอยากจะให้เราได้ตั้งเจตนาเหมือนกายบ้างพี่น้องครับว่าอปัจจัยต่างๆที่เราได้รับเงินทองที่เรามีอยู่ นะครับยังไม่พอนะมีหมื่นมีล้านก็ยังไม่พออยากจะได้สองล้านแต่ไม่ใช่เอามาบาเรอความสุขส่วนตัวไม่ใช่มาเอาสิ่งนั้นมาซื้อเสพความสุขส่วนตัวไม่ใช่แต่ต้องการเอาเงินทองเหล่านั้นซื้อสวรรค์เอาวะเอาเงินทองเหล่านั้นแลกสวรรค์เข า, เาลักมีนาในวาตาลานั่นคือสิ่งที่อสามสอนไว้พี่น้องครับว่าเป้าหมายที่แท้จริงเราต้องแบบนี้นั่นคนที่เนียดดีๆเป้าหมายชัดๆ ไปแล้วครับว่าเขาสิ่งที่เขาทำเก้าแต่ละเก้าที่เขาทําทําเพื่อตอบโจทย์เรื่องของอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลามันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มันเป็นเรื่องที่ทรงคุณค่ามันเป็นเรื่องที่เหมือนคนทั่วๆไปคิดว่าคิดได้ยังไงนะครับแล้วทําได้อย่างไรแต่บางคนเหล่านั้นเขาบอกว่าสําหรับเขาแล้วมันเรื่องง่ายมากมันจะยากอะไรไปแล้วครับเพียงแค่เราเรามีจุดกลับไปหาจุดแข็งของเราคือเรื่องของอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลารื่องที่เรามีอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลารื่องที่เรามี มีความยิ่งใหญ่อยู่กับตัวเราใช่ไหมฮะมันจึงไม่ใช่เป็นเรื่องยากอะไรเลยในการที่จะจอบโจดในเรื่องนี้ในการพูดทานี้ออกมาในการการะทําสิ่งต่างๆเหล่ า, านี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยนั้นพยายามฝึกเราให้ดโอนั้นได้มีความรู้สึกดังกล่าวเพียงครับเราจะพบว่าในชีวิตเรามันทรงคุณค่าชีวิตเรามันมีความสะดวกและชีวิตเรานั้นมันไม่ต้องไปแค่์กับคนพันล้านคนเจ็ดพันล้านคน แต่เราแค่เพียงแค่สิ่งเดียวคือแค่อัลลอฮฺสุบฮานูร์ตาลพอเราแค่อัลลอฮฺสุบฮานูว์ตาละโจทั้งหมดเรานั้นโจ์ตอบโจทอัลลอฮฺส ah ุบฮานูร์ตาระให้ได้กับมันพอพี่น้องครับนั่นหมายถึงว่ามันมีคุณค่ามากกว่าตอบโจทย์คน 8,000 ันล้านถึงเจ็ดันล้านคนนั่นคืออิสลามพี่น้องครับ นั่นคือแก่นแท้จิตวิญญาณของคําเป็นมุสลิมและเป็นธรรมดเลยละครับเป็นสิ่งที่เราได้ได้สัมผัสเป็นสิ่งที่เราได้รับรู้กันเป็นสิ่งที่เราได้ฝึกเป็นสิ่งที่เราได้ใช้กันคําว่ามันทรงคุณค่ามหาศาลใช่ไหมครับในเรื่องของการตั้งเจตนาไปลองครับนั้นพยายามติดกระดุมเม็ดแรกของเรานั้นให้มันถูกไปลองครับนั้นผมกําลังจะบอกว่าหะดิษต่อไปหะดิษที่สที่สาถึงฮะดิษสุดท้ายเลย มันจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเลยมันจะไม่เกิดคุณค่าอะไรมากมายเลยครับถ้าหากว่าฮัดดิสแรกเนี่ยเราไม่ผ่านเราผ่านกันไปเพียงแค่เปลือกเราไม่ได้เข้าถึงจิตวิญญาณไม่เข้าถึงแกนแท้ในยะที่แท้จริงที่อยู่ในฮัดดินั้นงั้นพยายามกลับมาในเรื่องนี้พยายามกลับไปฝึกกลับไปกระทําให้มันเป็นนิสัยของเราเลยให้มันเกิดมาโดย อ, อ, ตอัตโนมัติว่าสิ่งที่เราทําในส่วนตัวเรานั้นทําเพื่อตอบโจทย์อัลลอฮฺ ครับชีวิตเราก็จะสบายชีวิตเราก็จะมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นชีวิตเรานั้นก็ไม่จมปักอยู่กับอยู่กับลมคนทั่วๆไปอยู่ในลมอันนี้เดียวเช่นเดียวกันเพียงครับถ้าเรามีโอกาสได้ทำงานองค์กรทำงานในสังคมนะครับที่จะช่วยเหลือพีองครับพอเรามีสิ่งนี้เข้มเข้มหรือคนในองค์กร ต่างๆเหล่านั้นมีสิ่งนี้อย่างเข้มเข้มพี่น้องครับมันจะเป็นศักยภาพมันจะมีคุณค่ามหาศาลพี่น้องครับในการทํางานองค์กรผมสังเกตไละพี่น้องสังเกตเหมือนกับผมไหมครับว่าทุกวันนี้ในองค์กรมุสยมเรานะครับเยอะใช่ไหมครับหลายสมาคมหลายองค์กรหลายมูลนิธิแต่ทําไมพี่น้องครับเรายังย่ําอยู่กับที่แบบนี้หรือบางครั้งนะครับกับการที่มีองค์กรเยอะๆนะครับมันกลทาให้เราให้เรานั้นตกต่ำลงมากกว่าเดิมมันเพราะอะไรฮะก็กลับมาในเรื่องนี้เลย จิ๊กซอสําคัญอยู่ในเรื่องนี้พี่น้องครับถ้าหากว่าคนที่กําหนดนโยบายคนที่กลุ่มองค์กรนั้นๆครับไม่ชัดในเรื่องนี้พี่น้องครับกระดุมเม็ดแรกมันไม่ถูกแล้วในการในการดําเนินการในองค์กรนั้นนั้นพี่น้องครับมันก็จะเสียหายมันก็ไม่มีศักยภาพมันไม่มีคุณค่าใดๆพี่น้องครับมันจะไม่ได้รับการช่วยเหลือมันจะขาดความเชื่อมัน่นมันจะขาดแรงสนับสนุนแรงส่งโดยเฉพาะแรงส่งการช่วยเหลือที่มาจากอัลสุบะห์นิวาตานะฮร นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมเราใช่ไหมครับเราเห็นหายนะอย่างครับายนะของขององค์กรที่ขาดขาดการให้ความสำคัญกักบกระดุมเม็ดแรกนั่นคือความเอคลากความเปสุดใจในสิ่งที่เราทำพี่น้องครับถ้าหาเป้าหมายของเรามันชัดบชัดเพื่อเพื่อเอาวอสุภานี่ยว่าลามันอยู่ที่ไหนจะทำองค์กรใดก็ตามมันทำได้ตลอด ว, วิธีการเนี่ยฮะมันหลากหลาย เราจะรับได้ทั้งหมดพี่น้องครับมันจะไม่ติดลมว่าเรานั้นจะต้องอยู่กับสมาคมอิสลามเพื่อการพัฒนาต้องอยู่องค์กรนี้ต้ององค์กรนี้อย่างเดียวองค์กรอื่นไม่ได้ไม่ได้ข้อมูลที่เรามีอยู่มันจะแบ่งไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อันนี้ไม่ใช่พี่น้องครับอัลฮัมดุลิลละครับที่องค์กรที่ดูแลกิจกรรมที่เรากำลังอยู่กันครับสมาคมอิสลามเพื่อการอีมานและการพัฒนาสังคมนะครับที่ท่าจจนอาจารมานัทเป็นประธานอยู่ คับที่ได้สัมผัสกับท่านได้พูดุยกับท่านก็จะโอเพ่นตลอดครับใครก็ตามองค์กรใดก็ตามครับที่จะมาคอนเนคชันมาติดต่อกันมาแชร์กันมาร่วมกันสร้างสรรค์เชิญครับใครมีไอเดีดีๆมาเชิญมาคุยกันอยากจะเห็นองค์กรมุสลิมเราเป็นแบบนี้พี่น้องครับไม่ใช่อยู่กับที่ไม่ใช่อีโก้สูงอยู่อย่างเดียวนะครับทำอะไรก็เฉพาะ เอาความคิดของตนเองเปที่ตั้งตอบโจทย์เพียงแค่องค์กรของตนเองอย่างเดียวมีความรู้สึกว่าองค์กรของตนเองอย่างเดียวเท่านั้นที่สามารถแก้ไขได้มันไม่ใช่พี่น้องครับใช่ไหมฮะนั้นผมว่ามันเป็นเป็นภาวะเร่งด่วนครับที่จะต้องสร้างความเข้าใจกันทั้งส่วนตัวเราและในส่วนขององค์กรที่ต้องมาติดกระดุมเม็ดแรกของเราให้มันถูก ใช่ไหมฮะนั้นสิ่งนี้จึงเป็นประเด็นสําคัญที่ที่ผมพยายามนะครับพูดกับเรื่องนี้มาตลอดบางวกักบางประโยคบางประวัติบางส่วนอาจจะซ้ําไปซ้ำมาแต่เนื้อแท้จริงๆแล้วนั้นคือต้องการให้เราได้ตกผึกในเรื่องนี้ทั้งคนพูดแล้วก็คนฟังนะครับอยากจะให้เกิดสิ่งนี้ให้มันเป็นนิสัยให้มันเป็นเป็นดีเอที่อยู่ในความรู้สึกเราเลย ให้มันเกิดความรู้สึกแบบนี้เราจะพบข้อแตกต่างกันมากมายไหมครับข้อแตกต่างประสิทธิภาพที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราทําแม้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะเล็กมันจะไม่ใหญ่แต่ถ้ามีสิ่งนี้มันจะยิ่งใหญ่มหาศาลเลยมันจึงสิ่งที่คุ้มค่ากับการที่มานั่งเรียนกันคุ้มค่ากับการที่ได้รับรู้แล้วก็คุ้มค่ากับการนําไปปฏิบัติใช่ไหมครับ เรื่องความเปคลาสความเปสุดใจนะครับนั่นคือสิ่งที่อยากฝากไว้นะครับอันนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งพี่น้องครับที่มันบางครั้งที่เราแบ่งกันไม่ถูกพี่น้องเคยมีคําถามไหมครับไอ้บางครั้งเนี่ยฮะเราทำเนี่ยทำเพื่ออะไรยกตัวอย่างนะครับเราไปงานงานน้ําชาที่เราจัดกันนะฮะงานมัสิทธิ์งานองค์กรฮะรเรากินไปกินข้าวธรรมดาเรากินข้าวที่บ้านก็ได้นะครับแต่เราไปไปกินกินที่งาน ไอ้แบบนี้ไอ้มันจะเป็นอิคลาสไหมเนี่ยมันจะได้ผลบุญไหมเนี่ยแรกกับการที่ทํำสรอกรอไอ้ทาบุญทํำสรอกรอด้วยแต่ต้องขออนุญาตนะว่าต้องประกาศชื่อด้วยนะแล้วต้องขึ้นไปมอบให้บนเวทีด้วยนะไอ้แบบนี้มันได้หรือไม่ได้อันนี้เป็นประเด็นที่ที่มันเป็นมีเส้นแบ่งแบ่งแยกกันนะครับว่าอันไหนมันใช่อันไหนมันไม่ได้แบบนี้นะครับให้เราตั้งสังเกตครับว่าในเรื่องนี้นั้นมี2ประเด็นเองถ้าเราแยกถูกเราก็จะจะจะจะไม่ไม่ลำบาก นะครับจะจะไ ม, ไม่ไม่สับสันนะครับให้แยกนะครับสิ่งที่เป็นอิบาดะกับสิ่งที่เป็นอาะนะอิบาดะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําแล้วเราส่งรับสรงผ่าพระไทยเช่นการทำศรักร ะ, ก, ะการทําละหมาดได้ว่าอิบาดะไอแบบเนี้ยต้องทําเพื่อลอสุบะาหนุตตร เ, เพียงพระองค์เดียวเราจะอาศัยสิ่งนี้เพื่อสแสวงหาทางโลกไม่ได้นะครับจะอาศัยการทำศรักระเพื่อ คนมาให้ประโยชน์กับเราทำสเสร็จแล้วก็เพื่อให้คนมาชมเราแบบนี้ไม่ได้เลยนี่เรียกว่าของแท้เลยครับเรียกว่าเชอรี่คอฟฟี่หรือเรียกว่าริยาแบบนี้เลยฮะอันนี้รุนแรงมากเลยที่2องอาดา้าอาดาคือสิ่งที่เราทำเป็นธรรมชาติโดยทั่วๆไปเช่นการกินการนอน เดียว่าเป็นเรื่องอาไดา้เรื่องทั่วๆไปนะครับที่ชีวิตเราใช้อยู่เรื่องนี้นเราจะกินเราจะนอนมันก็ไม่เกี่ยวมันไม่มันไม่ได้เกี่ยวกับผลบุญแต่เพียงแค่โราเนียดพี่น้องครับไซเนียดไปสิ่งเรากินเนี่ยกินเพื่อให้มีแรงทําอิบาดะกินเพื่อให้มีแรงทําความดีกับอรรถสุบภายในวารตาล์จะนอนนอนเพื่อมีแรงให้มีแรงทําความดีกับอรรถสุภายในวารตาล์ จะออกไปทํามาหากินเพื่อให้มีเงินมีทองเหลือใช้จ่ายในสิ่งที่เป็นอิบาร์ดะกับอัลลอฮฺสุบฮ า, านุอัลตะลามันกลับกลายเป็นอิบาร์ดะพี่น้องครับแยกกันนิดเดียวนะฮะอิบาร์ดะการทําความดีที่บทบัญญัติใช้การทำซาระก์การละหมาดแบบนี้ต้องให้กับอัลลอฮฺอย่างร้อยปอร์เซ็นแบบนี้เนี่ยไปเนียดเอาสิ่งอื่นไปผสมไม่ได้แบบนี้เป็น เป็นของต้องห้ามเลยแบบนี้เป็นยาพิษที่เราใส่ไปในบวชเราเลยเป็นยาพิษที่เราใส่ไปในละหมาดเราเลยไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นในเรื่องของอาดะเรื่องทั่วไปและเรื่องก า, การกินเรื่องการนอนนะฮะเสร็จแล้วเราใส่อิบาดะไปมันจะเป็นอิบาดะเลยใส่กันเนียดไปมันจะเป็นอิบาดะเลยนั้นไม่ต้องไม่ต้องตกใจเลยครับบางคนที่ก็บอกว่าเออเราไป งาน น, า IN, งานน้ำชาแล้วไปกินงานน้ำชาแล้วมันจะเป็นมันจะเป็นผลบุญได้อย่างไรนะมันจะเป็นครัสได้อย่างไรได้เลยพี่น้องครับเพราะพื้นฐานเอาซ้อนในเรื่องนี้นั้นมันเป็นเรื่องของอาหะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องอิบาระหะใช่ไหมครับแต่เราใส่เนียตเข้าไปที่ดีนั้นมันจะกลายเป็นอิบาระหะเลยอันนี้นะครับเป็นความยิ่งใหญ่เลยแต่ต่างกาันสิ่งที่เป็นอิบาระหะการทำศรัทธาก่อนทาความดีอื่นเนี่ยถ้าเราเอาผลประโยชน์เข้าไปมันก็จะเป็นเป็นเรื่องอื่นไปเลยพี่น้องครับ สองระดับความรุนแรงในเรื่องนี้ก็จะต่างกันไปน้องครับชอริคคอฟี่การตั้งปรคีรกรรมว่าบบที่เป็นเรื่องอเรื่องที่มันซ่อนเล้นอยู่นั้นระดับความรุนแรงมันก็จะต่างกันเหมือนโรคหรือยาพิษระดับมันก็รุนแรงมันจะต่างกันใช่ไหมครับเช่นเดียวกันครับความผิดในเรื่องนี้อันตรายในเรื่องนี้ระดับก็จะต่างกันถ้าระดับที่แรงมากที่สุดถ้าสิ่งที่เราทําแล้วทําเพื่อให้คนอื่นมายกย่องเรา แบบนี้สำคัญเลยฮะให้คนอื่นมายกย่องให้เพื่อให้คนอื่นมาให้ชมเราให้คนอื่นนั้นให้เกียดเราภาษาอะหรก็ว่าตะวีมให้เกียดเราไอ้แบบนี้เลยมันมันรุนแรงมากเลยครับสองเราลงมาสิ่งที่เราทำทำเพื่อผลประโยชน์เพื่อเราจะได้เงินเพื่อเราจะได้เงินครับวันนี้ผมมามาอบรมในวันนี้ตั้งเจตนามาเพื่อจะได้รับค่าตอบแทน แบบนี้ไอ้แบบนี้นะฮะประเด็นรองลงมาครับรองลงมาอันตรายเหมือนกันแต่อันตรายนั้นรองลงมาแบ่งระดับนะครับแบ่งระดับให้ถูกนะครับระดับที่แรงมากที่สุดคือทําเพื่อให้คนให้เกียรดเราให้การยกย่องเราแบบนี้อันตรายมากเลยพี่น้องครับสิ่งที่เราทำสองทาเพื่อหวังผลประโยชน์จะเป็นเม็ดเงินเป็นค่าตอบแทนใดๆก็ตามไอ้แบบนี้เป็นประเด็นรองลงมานะครับอันตรายแต่ยังอันตรายยังไม่เท่ากับประเด็นแรก อันนั่นคือสิ่งที่มันมันเป็นเส้นเล็กๆที่มันแบ่งระหว่างใช่กับไม่ใช่กับอีคลาสกับไม่ใช่อีคลาสอยู่ในเรื่องนี้นะครับเพื่อให้เราท่านได้สบายใจกันนะครับอันนั่นคือในเรื่องดังกล่าวใครมีประเด็นเชิญได้นะครับในเรื่องนี้เพราะบางครั้งนี่มันมีเส้นแบ่งกันนิดเดียวเองครได้ไม่ได้ในเรื่องนี้นะครับแต่พอเราจําหลักในเรื่องนี้ได้แล้วเราจะพบว่าโอ้ oh, ใช่แล้วเราเราเราสามารถที่จะแบ่งได้ในเรื่องนี้นะครับ ตอนี้ประเด็นต่อมาครับถ้าในอดีตที่ผ่านมาโอ้มันใช่เลยเนี่ยเราที่พูดมาเนี่ยเรานั้นมันผิดมาตลอดเลยเนะทํำยังไงนะฮะไม่ยากเลยครับอัส <Eng v> ah> ัามุขุลล่าัลลอฮ์เมฉันขอไปโทษกับเลาในความผิดที่ผ่านมาวาอตูบุเอไลและฉันกับเนื้อกับตัวอิสติกฟาฮิกาอัสตัฟโรลลาเตาบ้าคือการกลับเนื้อกับตัวครับเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเราสัครับ ขออภัยโทษกับเราและเปลี่ยนแปลงตัวเราว่าเราจะไม่ทำแบบนั้นแล้วเรารู้แล้วว่าไอ้สิ่งสิ่งที่เราทำถ้าหาว่าระหวังผลประโยชน์เนี่ยมันได้เพียงเล็กน้อยหรือพูดง่ายมีเงินร้อยกับเงินล้านไอ้สิ่งที่เราหวังเนะี่ยมันหวังเพียงแค่เงินร้อยแต่ไอ้เงินล้านนั้นสิ่งที่เราควรน่าจะได้แต่เราไม่เมาไม่หวังครับงั้น เราอัสตอฮฺเราละอัล ล, ลอฮฺในความผิดที่เราได้ฝ่าฝืนความผิดที่ผ่านมาอิชั่ลลอฮฺด้วยกับรหฮมะความเมตตาของอัลลอฮฺอัลลอฮฺจะยกโทษให้กับเราครับแล้วก็เราตั้งใจว่าจะไม่ทําอีกในสิ่งนี้ในความผิดในเรื่องนี้เพราะมันความผิดเรื่องใหญ่เป็นความผิดที่มันทําลายอาราบอิบาดาห์ที่เราทํามาทั้งหมดเลยพี่น้องครับครับนั่นคือประเด็นที่อยากจะฝากไว้ทิ้งท้ายไว้สรุปครับพอดีสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเลยนั้นมีมีแง่คิดให้กับเราพี่น้องครับหนึ่งเลยพี่น้องครับ แล ะ, ะหุอามาห อ, อิลบินียะอามาต่างๆที่เราทำทั้งหมดเลยนั้นจะซ่อมจใช้ไม่ได้นะถ้าเราไม่มีเจตนาจะละหมาด ก, ก็ต้องเจตนาโดยเฉพาะครับครับจาละหมาดฟรุดูซูฮรุรีเซโรกัดเพื่ออลัลลอสซุบฮานะวะตะลาใช่ไหมครับนั่นคำว่าเพื่ออลัลลอตะลาเนี่ย พอเราเราโฟกัสไปคำว่าเพื่อเอราวัตรามันจะเกิดมันจะกลับมาฮะไอสิ่งที่เราทําทั้งหมดเลยนั้นทำเพื่อสแสวงหาความโปรดปรานจากเอราวัตร์ทำเพื่อให้เอาลาวัตร์ชมเราละหมาดเพื่อเอาวั์ชมเราเพื่อสแสวงหาความโปรดปรานจากเอราวัตร์อันนี้มันจะมาเลยพี่น้องครับถ้าไม่เนียดมันจะใช้ไม่ได้เลยส่วนเนียดก่อนหลังอันนี้ไม่ใช่ประเด็นพี่น้องครับต่อมาครับอมุมินยุยอรอะเฮสบินีติฮีมุมินผู้ศรัทธาเนีได้รับผลบุญ จะได้น้อยได้มากขึ้นอยู่กับเจตนาวันนี้เรามา ต, ตั้งใจมาได้ผลบุญมาตรฐานได้พี่นะครับแต่จะได้เพิ่มขึ้นในระดับใดนั้นอยู่กับเจตนาวันนี้ถ้าเรามาเจตนามาเพื่อแสวงหาความปวดปานจะเอาว่าหาวิธีที่จะรับอีิมานเราหาวิธีที่จะแสวงหาความปวดปานจะเอาว่าโอเคได้เงินซะแล้วก็แม้ว่าเราน้อยแต่เราทําเพื่อแสวงหาความปวดปานจะเอาว่ามันจะได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย มันสามันก้านะอามาลูหข้อขอนี่สตันิน ล, นนละฟา ม, มักบูละใครก็ตามอามาร์ที่เขาทําถ้าทําเพื่ออัลลอฮ์แน่นอนอามาร์ทเขาไจะถูกรับแต่ถ้าเขาทําไม่ได้เพื่ออัลลอฮ์เพื่อสิ่งอื่นแน่นอนสิ่งนั้นจะไม่ถูกรับมันก้านะอามาลูหูริอะจิยาอันนัสฟาลาตุกมันผู้ใดก็ตามที่เขาทําแต่เพื่อให้คนอื่นเห็นให้คนอื่นชมเพื่อให้คนอื่นตอบแทนอามาร์นั้นจะไม่ถูกรับในะอลัลลอฮ์นะครับเขาอาจจะได้ครับเล็กๆน้อยๆ นะครับที่เป็นเหมือนเสร็จนี้ข้างเคียงหรือที่ผมบอกว่าคําว่าชิงร้อยชิงล้านผมว่าเห็นภาพชัดพี่น้องครับหลายคนที่เราตกตกตกันฮะเรานั้นตกอยู่บนหล่มที่เรานั้นพยายามเอาแค่ร้อยแต่เราน่าจะได้ล้านที่มันมีคุณค่าต่างกันแบงร้อยกับเงินเงินร้อยที่มาเป็นกองเลยคือเงินล้านมันต่างเงินใช่ไหมครับนั้นเราพยายามอยากจะให้ได้เงินล้านสิครับใส่เอกรัสไปหวังการตอบแทนจากล้านสุภะนิวาตาลา นั่นคือสิ่งที่อยากจะฝากไว้สรุปฮะดิษนี้อีกอีกครั้งหนึ่งที่ทารุณโซลบอกกับเราครับอินเนมอะมาหรือบินนียัสอมาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่กับการตั้งเจตนาอินเนมาลิคุลิมริอิมาเนวาแต่ละคนจะได้รับตามสิ่งที่ตนเองนั้นตั้งเจตนาเอาไว้ฟะมันกะนัฮิจารตูอิลลอฮิวารุสูริฮีฟะฮิจารตูอิลลอฮิวารุสูร์นี่ใครก็ตามเจตนาของเขานั้นเพื่ออัลลอฮฺเขาก็จะได้รับผลบุญ วมันก้านาทีรถูวิุญญาอย่สีบุหาใครก็ตามที่เป้าหมายสิ่งที่เขาทำนั้นเพื่อโลกดุน ญ, ญานี้เขาก็จะได้รับแต่ได้น้อยมากเลยเอาเอาวิมรออาเทนยันเกวหะหรือถ้าสิ่งที่ก็ตั้งเจตนานั้นเพื่อการสมรส เขาก็จะได้ชีวิตสมรสแต่ผลบุญนั้นไม่ได้จะเอาล้อสุบูหานาุตลามันจึงเป็นฮะดิษที่สมควรค่าที่สอนกับเราเป็นกระดุมเม็ดแรกที่เราจะต้องติดให้ถูกเราจะพบถึงอานุภาพอันยิ่งใหญ่ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเรามันเกิดขึ้นกับสังคมเราฝากไว้ด้วยความเป็นห่วงฝากไว้ด้วยกับความจริงแล้วก็แล้วก็แสดงความยินดีกับทุกคนครับที่ที่เข้าถึงจิตวิญญาณในเรื่องนี้ครับฝาก อัลกุลก๊าลีฮ أستغفر الله لى ولكم وللسائر ا ل م م م ي ن من كل ذم فاستغفرو إ ِ ن َ الْغَفُورَ الرَّحِيمَ وسلام عليكم ورحمة الله و ه ที่ผมถามไปหรือเปล่าอ่าที่คุณถามไปนะแต่ในชินสำหรับพี่น้องเราที่มาเรียนเป็นไปตามที่เป็นจริน อิบาดะได้หนอนครับสิ่งที่เราทำคบว่าอิบาดะนั้นกุ้ลู้มาแล้วก็รบุรรบวะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ตัวเรานั้นใกล้ชิดกับอลกะโดยอามันภายนอกแล้วก็อามันภายในที่ทำรัชอัลลอฮฺสุบานุละตะทรงรกักทรงพอพระทยัยและหนึ่งในสิ่งนั้นสิ่งในสิ่งอิบาดะที่มันมีสมคุณค่านั่นคือความรู้พี่อ น, น้องครับ ยศอัลลอฮฺล่าีน่าอันำมุนุคุมว่าล่าีนอุทุลัยมาดรยัตอัลลอฮฺยกดระยะคือระดับตำแหน่งให้กับคนที่มี إ ي ่ ا นศรัทธาแล้วก็คนที่มีวิชาความรู้เรามาตักตวงในสิ่งที่เป็นคุณค่าสิ่งที่เป็นความรู้นั่นคือสิ่งที่สมคุณค่าทารุลาะซุละละซัลลัมครับไม่ได้มีมรดกไว้เป็นเงินเป็นทองแต่มรดกของทารุละละละซัลลัมที่ทิ้งไว้คือสิ่งที่เราได้มาตักตวงกันนี้ครับที่เราได้มาแบ่งกัน สิ่งที่ผมได้มาผ่านผมมาวันนี้เรารับไปได้เท่าไหร่นั่นคือเราได้รับมรดกของท่านศาสดาสุลต่านมหาราชธรรมที่มีสิ่งที่ทรงคุณค่าใช่ไหมครับจะทําอะไรก็ตามพี่น้องครับมันต้องมีพื้นฐานของความรู้มีพื้นฐานของข้อมูลมันไม่มีใครครับวะฮีหมดไปแล้ววะฮีมีเฉพาะท่านศาสลอสุลต่านมหาราชธรรมนั้นอินมาลัยอินโมบิตะอามรมู้ก็ต้องมาศึกษาการที่เราได้มาศึกษาการที่เราได้เจียดเวลาสิ่งที่เราได้มาใช้กันในที่นี้พี่น้องครับมันมีคุณค่า ที่ผมพยายามใช้คำว่าการที่เรามายัดดีดูอิมาโนคุมบีแลอีแอิละห์อัลลอฮครับมารับมีดรับอิมานของเราได้กับลาอและอัลลอฮนะครับนั่นคือมีดที่จะมีคุณค่ามีดที่มีประโยชน์ที่เราเราไม่ต้องออกแรงมากคือมีดที่คมนะครับไม่ต้องออกแรงมากเราก็ได้ได้ทาประโยชน์ได้เยอะเหมือนกับ การที่เรามีความรู้มารับความรู้เราความรู้ที่คมมันทําให้ปัญญาเรานั้นคมปัญญาเราปักปากเปลอ่ยงเราสามารถที่จะตักตัวมือประโยชนไ์ได้ได้ได้เยอะแล้วความรู้ใดมันไม่มีคุณค่ามากไปกว่าความรู้ในเรื่องของล้อพี่น้องครับเพราะความรู้ในเรื่องของล้อมันจะตอบโจทย์ทุกชีวิตเราได้มันจะเป็นความสุขเรามาในวันนี้ก็มาตอบโจทย์ในเรื่องนี้ใช่ไหมครับรู้ในเรื่องของล้อพี่น้องครับเรามาเพื่อลออ้อกันนู่เราจะศึกษาพวกเราพวกเราที่รับรู้อ่ไปว้แล้ว ท่าวันแปะไทยจากอาจารยนินอมาแจกนะของสารพูด น, นะไม่ไปเก็บไว้วหลังตู้ฝุ่นจับทุกเดือนต้องมาอ่านที่นี่ครับวันนี้อาจาสังพาเข้ามาเลี้ยงด้วยได้ไงใครคนออกสถาบันจริไหมตามสาปร์กอด้ยนะอ่าเพระฉะนั้นว่าพอเรากินข้าวแล้วกวนการก็่านสักสิบอญญายะและเนั้นมีควาหายใหญมาก แล้วก็ก็กลับบ้านกันก็เสียมามาแล้วที่อาจารยจาพูดตรงนี้คำว่าอิบาดาโต้ว่าสรุปเล้ว อ, อิบาดาเนี่ต้องมาจากอัล้อฮใช่ไหมอาจารอาาแล้วเราทำด้วยอัลลอฮ์แล้วก็ถวายกับอลัลลอใช่ไหมครับอาจารย์ใช่เลยครับเปรียบให้เห็นชัดๆนะครับเรื่องของอีบาดาเนี่ยมันเหมือนกับร่างเหมือนกับมนุษย์เรานะครับมนุษย์เรามีองค์ประกอบสอส่วนก็คือส่วนที่เป็นร่างสองเป็นวิญญาณ ร่างนั้นคือสิ่งที่ทําตามถูกต้องตามบทบัญญัติพี่น้องครับสิ่งที่ทใช่ที่ท่านราสโลธรรมเอาไว้นั่นคือร่างของอิบาดเช่นละหมาดเราละหมาด ต, ต้องมีรู ก, กว่ามีสุญูดเหมือนที่ท่านนบีได้ทำเอาไว้นั่นคือร่างของละหมาดสองวิญญาณของละหมาดวิญญาณของละหมาดคือความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจอามันภายในที่เกิดขึ้นการที่เรามีความนอบน้อมการที่เรานี่ได้สัมผัสกับความใกล้ชิดของลอสุบฮาโนอาต า, านั่นคืออามันภายใน นะครับที่อยู่ในในร่างนั้นนั้นทั้งหมดเลยพี่น้องครับสิ่งที่เราทำให้มันต้องอยู่กับสิ่งนี้ครับว่าภายนอกต้องถูกกรอบบทบัญญัติที่นมีบอกเอาไว้นั่นคือสิ่งที่ใช่สองความออกลากความประสใจที่อยู่ในอามันอันนั้นเป็นสองส่วนที่ต้องอยู่คู่กันครับครับขอใค่ไม่มีเลยนะก็แตบบ่สิ่งนี้ سبحانك اللهم بحمدك ش ه د ن لا ل ه ا ل ا أنت س ت غ ف ر ك و ن ل ك صلى الله عليه و و ل ا ل ص ا والحمد لله رب العالمين إذا ن ج الناس ا ل ف ت ح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك و ا س ت غ ف ر إنه كانت و ا ب ا